การปฏิบัติธรรมเราก็ย่างก็วันที่ห้าที่หนะซึ่งการเจริญสติแบบนี้วันที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ก็ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องศีลธรรมเรื่องขนมพรมเนียม เรื่องวัฒนธรรมเรื่องปริยัติเรื่องอะไรมังที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อกันต่อความเข้าใจนั่นเป็นสมาธิิในเบื้องตน้นที่จะมีการพัฒนาสมาธิในภาวนาให้มันกล้าแข็งขึ้นไป ทีนี้พอมาถึงช่วงนี้การปฏิบัติหลายๆคนก็เริ่มมีปิติมีสมาธิเกิดขึ้นบ้างเรื่องแก้ไขเรื่องของนิวรธรรมคือตัวคิดตัวง่วงอะไรต่างเริ่มเบาบางลงความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความ หุนหิดอืดอัดขัดเคืองก็เริ่มเสื่อมสลายหายไปในระดับหนึ่งเรื่องในช่วนี้ตอนเย็นเราก็คุยกันเรื่องทั่วไปคลายเครียดแต่ตอนเช้าก็คงเป็นเรื่องกรรมฐานเน้นเรื่องของวิปัสนาเรื่องของอารมณ์วิปัสสนูนี่อุประสรรคของการทำวิปัสนา เขาว่าการจเจริญสติแบบนี้จำเป็นอยู่เองอที่ต้องพูดถึงเรื่องเส้นทางการจเจริญสติให้เราฟังเพื่อว่าการเดินทางจะได้ไม่ละหมาดเล่น เ, เลื่เผลอตัวไปในอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความเนิ่นช้าที่เรียกว่าปัจจันธรรมดังที่เราต้งไหลาย ไม่มีความเข้าใจในเบื้องต้นอยู่แล้วว่าชีวิตนี่มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอลแต่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็หลงเข้าไปอยู่ในวังวนของสังสารวัตรที่เรียกว่าตันหาแต่ก็เกิดการผูกมัดไม่สามารถที่จะออกได้ทุกคนผูกมัดด้วยความคิดความปรุงแต่ง กิจกรรมทิฏฐิอัตตาแล้วก็ความเชื่อที่งมงายวัดปฏิบัติที่เป็นศิลปะปรรมารการรูปคำในศิลป์คิดว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วยรูปแบบแบบนั้นแบบนีนะ้ไม่ใช่การเฝ้าดูจิตดูใจโดยตรง ความทุกข์ก็เลยไม่ลดลงดังนั้นการเจริญสติปัฏฐานหรือการทำควาเข้าใจในระบบการเจริญภาวนาที่จะทำให้เกิดอาการของวิปัสนาเนี่ยวันที่ห้าที่หที่เจดก็จะเริ่มมีการเก็บอารมณ์ก็คือทำสติให้มันต่อเนื่องขึ้น คนไหนที่ยังง่วงยังเหงาอยู่ก็ทำให้มันหายคนไหนที่ยังพูดจะคุยอยู่ก็เลิกคนไหนที่สติเริ่มดีแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องขึ้นไปอีกเพราะว่าพลังของสติสัมปชัญญะเนี่ยอาศัยการต่อเนื่องเคลดรับของการรู้ทำจะอยู่ที่ความต่อเนื่องถ้าเราปฏิบัติทำแต่ว่าทำต่อเนื่องไม่ได้ก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไร เหมือนกับการกินยาถ้ากินไม่ต่อเนื่องก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กินข้าวถ้าไม่ต่อเนื่องก็ไม่มีประโยชน์โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตรวเราเนี่ยมันก็เกิดจากความต่อเนื่องแม้แต่ความเห็นของชีวิตที่ทําให้เราเป็นทุกข์ปัจจุบันเนี้ก็เกิดจากความเป็นนิจจงการมองทุกอย่างว่าเป็นของเที่ยง มันเกิดภาวะที่มันต่อเนื่อง <c oughs> มันก็เลยเป็นปัญหากับชีวิตเราแต่ว่าฝ่ายกุศลทำก็ไม่ต่างกันเนะถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงแบบต่อเนื่องเราก็จะเข้าใจสัจจะังนั้นจึงมีการมาเฝ้าดูเฝ้าดูว่าชีวิตจริงๆมันเป็นยังไงเราทุกข์เพราะอะไรกันแน่โดยอาศัยการเจริญสติ ให้เป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานหรือส ม, มาสติคือการนรัึกรู้อยู่กายดูกายกำังดูจิตเนีดูกายเวทนาจิตธรรมนล้กรู้ให้มันต่อเนื่องตัวทั้งสามารถกลายเป็นสติที่มันเป็นอปรมตถธรรมคือสติที่มันเป็นเองเป็นสติที่เป็นเส้นทางของอริยมรรคคือสามารถอยู่กับภาวะที่โปร่งโล่งเบาสบายได้และทําได้ต่อเนื่อง ความคิดความปรุงแต่งความหงุดหิดความง่ว ง, งความเหงาสูญสลายตายจากไปจากความที่จิตเรารับรู้มีแต่สภาวะรู้ล้ว น, วนเกิดขึ้นกับใจเราเมื่อสติมันมั่นคงเมื่อไหร่การระ ล, ลึกรู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ความปรุงแต่งหงุดหงิดอืดอัดขัดเคืองหลุดหายไปเมื่อไหร่ปิติเกิดขึ้น ความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นในใจเรามีความมั่นใจมั่นใจว่าสติสัมปชัญญะที่เราฝึกเนี่ยมันสามารถเข้าไปสลายความคิดความม่วงความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราได้เมื่อนั้นแหละเราจะมั่นใจในตัวพุท ธ, ธะและจะขยันทำแต่ถ้าเรายังไม่รู้จับปัจจุบันธรทำไม่ได้เราก็จะอยู่ความม่วงความเหงาแอบหล บ, ลบซ่อนๆทำบ้างไม่ทำบ้างคือมันไม่เห็นนะัยส่ของความต่อเนื่อง ก อ, อจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเราอยู่ด้วยความทรมานทรมานเพราะอะไรเพราะกิเลสจะทำร้ายเราท่านบอกว่าญาคาอันบุคคลจับไม่ดีแล้วดึงเนี่ยมันย่อมจะบาดมือตนเองชั้นใดสามันยังทุปรังมาทั้งนิรยายูปัตติตินะการปฏิบัติธรรมที่นักปฏิบัติ ไม่ตั้งอกตั้งใจจะทำร้ายตัวเองอย่าน้อยล้วก็เสียเวลาเสียเงินเสียทองเปลืองตัวที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเข า, านี่ระ ย, ยอยู่ปกติติคือมันจะถดุดไปสู่ความทุกข์ถ้าปฏิบัติธรรมถ้าทำไม่จริงเน่ยทุกข์อึดอัดงดหงิดทุกอย่างเลยทำงานทำการหาเงินนาทองอะไรก็ตามถ้าทำไม่จริงไม่จย่างเสียเวลา ปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ถึงความเป็นคนจริงจริ ง, ร ง, รงเนี่ยเราจะได้แต่ทิฏฐิกลับบ้านปฏิบัติอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี้เป็นอย่าง น, น, าง น, น, างนี้ที่จริงเขาให้ปล่อยความคิดแต่เราก็ปล่อยไม่เป็นนั้นเวลาาะมาเดินไปดูโยมคนนั้นคนนี้นานที่ก็สงสารสงสารนันจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับนั่นงซึมไปวันๆแอบลับแอบอะไรไปอยู่อย่างเงี้ย แล้วเมื่อไหร่เราจะเป็นคนจริงสถีเมื่อไหร่เราจะเห็นทาของเขา응เวลานั่งลงก็หลับเวลาลืมตาขึ้นมีเดียวแต่ตัววิตกวิจารมแจะฟุ้งซ่านอะไรไเนี่ยท่านว่าคลุกครีตลอดทั้งวังวนขยันพูดคุยกัน <c oughs> ตลอดคืน ตลอดทั้งคืนกลางวันก็นอนหลับตลอดทั้งคืนคุยกันตลอดทั้งวันแล้วเมื่อไหร่จะทำที่สุดทุกได้เรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทั้นหาปัจจุบันธรรมให้เป็นท่านหมอดูกายแคสติดูกายและททำความพอใจนำความพอใจและความไม่พอใจออกจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตท่านที่ท่าเรียกว่าโลกนี่ให้ได้ <c oughs> อยู่กับปัจจุบันนะทมล้วนๆระลึกรู้ล้วน ๆ, ๆเดินไปก็รู้เดินมาก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้รละลึกรู้นาความพอใจและความไม่พอใจออก <c oughs> มีแต่สภาวะจิตตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเมื่อนั้นแหละเขาเรียกว่าปกติเกิดปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยสภาวะธรรมจริงๆแนวเมื่อไหร่ที่เรามีสติ รู้รูปนามตามความเป็นจริงรู้รูปนามคาว่ารูปนามนี่ไม่ใช่เราะระลึกรู้เอากายเป็นรูปรู้เป็นนามไม่ใช่แต่พูดถึงสภาวะธรรมเวลาเราทำความเพียรเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตมันสนุนะและเกิดตื่นพโพล่งสว่างเกิดภาวะจำแจ้งมาแล้วกายกับจิตมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นอัตโนมัติเดินไปทไนายก็เห้รึ ก, ร, ก, ร, กรู้โงมันเองโดยธรรมชาติความคิดหายไปความม่วความเงาหลุดหล่นไปเนี่ยที่มันเป็นเองขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้รูปนามประตูของการเข้าสู่สัจธรรมเนี่ยจับรูปนามนี้ให้เป็นเบื้องต้นนี่แค่รู้สึกตัวแล้วไอ้ความรู้สึกตัวนี้ต่อเนื่องและเกิดภาวะที่เกิดปัญญารู้รูป ร, รู้นามนี้ขึ้นมา นั่นเวลาเขาไปถามนี่รู้รูปนามหรือยังถามคนนั้นถามคนนี้รู้รูปนามหรือยังบางคนไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ตั้งใจจริงๆปฏิบัติทำน่งานหนึ่งหนึ่งเนี่ยคนไหนที่ไม่รู้ถือว่ายากละถือว่ามันผิดพลาดถือว่าความไม่ตั้งใจหรือผู้สอนสอนไม่เป็นนะมันมีสองอนเียหนึ่งสอนไม่เป็นสองสอนแล้วบอกแล้วให้ทาแล้วแต่ความขี้เกียจทิฏฐิมรณะเยอะ มันก็ไม่เกิดอันเนี้ยเพราะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันมันก็เกิดเมื่อนเอาไม้สองกันมาสีกันสีไปสีมาถ้าสีเป็นบอกถูกทําได้ไม่ขี้เกียจซะในระหว่างทําได้ต่อเนื่องมันก็ต้องร้อนต้องเกิดไฟมันด้วยธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นถึงแม้ไม้นั้นจะเกิดจากภาวะที่มันเปียกมันชื้นแต่เราดูรู้สุว่า เ, ออเขาสี ภาวะที่ทำเนี่ยรู้สึกว่ามีความขยันขึ้นดีขึ้นไม้มาเริ่มแห้งแห้งจากนี้วรธรรมจากความง่วงความเงาความหมุนหิดอึดอัดขัดเคืองความปฏิฆะความพยาบาทความง่วงเหงาห้านอนความฟุ้งซ่านลำคาญคือมองไปจะเห็นความขยันขยันขึ้นกว่าเดิมคนไหนที่ขยันขึ้นกว่าเดิมเวลาเราเดินไปเราจะน่าจะบอก จะบอกว่าเขาจะทําอะไรแต่คนไหนถ้าเดินไปก็เอาเงาอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรพปลี่แปลงไม่มีอะไรตื่นตัวขึ้นมาคือดูแล้วก็ดูออกนะว่าใครก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าคนไหนดีขึ้นไม่ดีขึ้นเราก็จะบอกให้โอ้ทางนี้นะตอนนี้เป็นอย่างนี้นะทาอย่างเนี้ยขยับไปอย่างเนี้ยดูอันนี้นะแต่คนไหนที่มันไม่ก้าวหน้าก็ไม่รู้จะให้มันดูอะไรมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรจะพูดจะคุย แม้แต่ในคาระวะธรรมยังไม่มีเลยในใจเราสังเกตว่าคนปฏิบัติธรรมถ้าได้อารมณ์ในคาระวะธรรมจะสูงคาระวะธรรมคือความเคารพทรรมการปฏิบัติเนี่ยดูก็รู้นะมันจะมีความอ่อนช้อยอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อธรรมะที่ปฏิบัติเองโดยธรรมชาติเป็นคนขยันปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยความสุขุ ม, มมีฮิริมีโอตตปะในภาวะธรรมมานั้น ในรูปแบบของการปฏิบัติก็เหมือนกันมีความตั้งใจยกมือสร้างจังหวะก็รู้สึกว่านิ่มนวลเดินไปเดินมาก็เอาสำรวมระวังเขามีคาวะทำแต่บางคนเดินเนี่ยกับนักเลงปฏิบัติทำบางทีก็ขอแต่รู้สึกหรอกกูจะทำยังไงก็ได้มันไม่เหมือนคนที่เขารู้นะมันจะต่างกันนะคือเราเดินไปดูมะม่วงเนี่รู้ปฏิบัติต้นไหนจะสุกไม่สุก ลูกไหนสุกไม่สุกลูกไหนมีสาระลูกไหนเหี่ยวไม่เหี่ยวเหมือนกันน่ะดูคนปฏิบัติทมก็เป็นแบบนั้นแหละคนไหนที่มีความก้าวหน้าไม่ก้าวหน้ามันดูออกเพราะคนทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตเหมือนกันหมดเราฝึกก็ฝึกแต่จิตของคนที่ฝึกไม่ได้มันเป็นยังไงมันจะต่างไป โดยเฉพาะคนที่รู้รูกนามเนี่ยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสปรากฏเกิดขึ้นมันเหมือนนั่นแหละเราไม่ต้องมองดูไม่ต้องถามเขาว่าเขาเกิดปีติไม่เกิดปีตนะิดูหน้าตาผ่องใสแจ่มใสเกิดขึ้นมันมีแววตามีลักษณะท่าทางรวมทั้งความภูมิใจในสิ่งที่ทำได้เนี่ยจะทำให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่าน้อยคือมันเคลื่อนออกจากภาวะทีม่มันทุกข์นะ มันสู่ก่าความสนุกขยันไม่ได้บอกละทำความเพียนไม่กลัวแดดกลัวลมกลัวฝนไม่กลัวทุกคนประเภทเนี้ยเพราะอะไรเพราะเขาถืดว่าเขาทำได้เขาแก้ได้ทุกเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาเรื่อ ง, องนี้มันเกิดมันดับได้เขาสามารถทำเป็นเขาค้นพบหัสที่เข้าสู่รูปนามเป็น นั้นความทุกข์ของเขาจะน้อยนะคนประเภทนี้จะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครใส่ใจเรื่องการปฏิบัติอย่างเดียวต่อเนื่องนี่แต่ว่ามันจะทํามากเกินไปเท่านั้นเองพราะเขารู้ว่าเส้นทางนี้เดินไปทางนี้เขาจะใส่ใจนั้นเมื่อรู้รูปนามแล้วเนี่ยมันจะรู้รูปทํานามทารูปโรคนามโรค รูปรู้นามรูปเป็นยังไงรูปรูปกายนี้อันหนึ่งแต่รูปที่ภาวะที่กระทบทั้งหมดเนี่ยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจพะกระทบปุ๊บมันเหมือนเป็นรูปแล้วมันก็ดับไปที่ได้เขารู้รูปนามแต่ถ้าพัฒนาขึ้นสู่อารมณ์ปรมาภิ์ก็จะเป็นสิ่งที่พัสสะเป็นวัตถุสิ่งที่รู้ที่เห็นในตัวรู้ตัวเห็นตัวสติเป็นปรมัตาธรรมแล้ว คือมันไม ห, หวั่นไหวมันตั้งมั่นของมันเองแล้วจะเห็นเป็นวัตถุปรมัติอาการที่ผัสสะและสลายมันจะเลื่อนระดับของการเห็นที่ต่างไปงั้นในเบื้องต้นเนี่ยจับสติให้อยู่ในรูปในนามให้เห็นหได้ให้เกิดการระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันให้มันเป็นคือจะไม่ได้หวั่นไหวสมาธิมันมีระดับหนึ่งจะเห็นรูปกายนี้ปรากฏ โรครูปเป็นโรคความคิดรักชังโกรธหลงงุนหงิด อ, อึดอัดพอใจไม่พอใจก็เป็นนามเป็นโรคไปหนึ่งจิตมันตั้งมั่นเห็นในระดับรูปนามแล้วก็ไม่เห็นรูปโรคนามโรคก็คือสมาธิมีระดับนี้ก็จะเห็นแค่นี้คือมันปล่อยได้วางได้รูปเป็นโรคก็รู้นามเป็นโรคก็รู้แต่ไม่ได้ยึดมัน่นถือมัน่น มันคิดก็รู้ามันคิดมันปรงแต่งโอ้มันคิดอย่างนี้เนาะมันเป็นโรคเป็นโรคเนี่ยโรครักโรคชังโรคโกรธโรคเกลียดเกิดแล้วก็ดับไปเนะี่ยจะมีคุณธรรมคุณลักษณะคุณสภาวะของจิตระดับหนึ่งที่ปล่อยวางงั้นความสุขมันก็เกิดมีขึ้นปล่อยวางได้ระดับหนึ่งมันมีความดีใจความพอใจเกิดขึ้นเกิดความเอิบอิ่มเกิดความปิติขึ้นมา เห็นการเกิดดับในรูปในนามคำว่าการเกิดดับคือเห็นปัญญาเกิดขึ้นเห็นตัวสติเนี่ยเกิดการรู้แจ้งเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเห็นตัวทุกตัวปรุงแต่งมันหลุดออกไปจากใจพอเห็นแล้วมันจะแจมแจ้งอยู่หลังจากภาวะนั้นก็คือมันจะเกิดขึ้น น, น้อยๆแล้วกระดับไปเองโดยธรรมชาติแต่การเห็นแจ้งรูปนามก็จะเห็นขึ้ครั้งนึง แจ่มแจ้งแล้วหลังจากนั้นก็คือธรรมชาติทีนี้น้อยๆมันไม่มีมันเกิดมันดับโดยธรรมชาติทีนี้แต่อันดับแร ก, กคือต้องแบบรู้แจ้งเกิดขึ้นปรากฏมาก่อนพาวะนี้เขาเรียก ว, ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากเห็นแล้วตัวสักยะทิฏฐิคือตัวยึดมัน่นถือมันในตัวตนที่เราคิดว่ากูเรื่องของกูทิฏฐิกูอันตาตัวตนกูมันจะสลายไป มันจะลดลงลดลงโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยแต่รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรเลยเนาะถ้ามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยไอ้ข้างในมันไม่มีอะไรไอ้ที่มันมีเนี่ยเพราะเราหลงเข้าไปในความคิดเท่านั้นเองตัวรู้สึกตัวมันต่อเนื่องเกิดขึ้นโอ้ถ้ามีตัวปัจจุบันเนี่ยมันไม่เข้าไปเลยในไอ้ความคิดเนี่ยในความคิดนี่ยนะเป็นกิเลสเป็นตัณหาเนี่ย เป็นตัวทุกข์ให้เราเราจะเริ่มรู้จักทุกตัวแรกหลังจากจิตที่มันเป็นปกติแล้วรู้จักทุกข์ขึ้นมาดีเลยมั่นใจดีว่าตัวทุกข์คืออะไรเข้าสูก่กระบวนการการรู้ในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนี้โลดมากทุกข์ที่เกิดจากตัณหาเนี่ยรู้ดีรู้จักความคิดความคิดไหนเป็นตัณหาความคิดไหนเป็ น, นเป็นปัญญามันดูออก พอมันเริ่มจากความว่างที่เกิดปัญญาแล้วสติสัมปชัญญะมันจำแจ้งเห็นชัดต่อเนื่องดังนั้นอาศัยการดูดูที่มันต่อเนื่องนี่แหละระลึกรู้เนี่ยแต่ว่าจะเกิดปัญญาตัวนี้ได้คนรู้รูปนามจะเริ่มควบคุมตัวนิวรณ์ได้ ตัวง่วงไม่รบกวนตัวเบ่ตัวไหนไม่รบกวนยิ่งนิวรหายไปมากเท่าไหร่ก็บ่งบอกถึงภาวะของอารมณ์รูปนามมันชัดเจนเท่านั้นนะตัวฟุ้งซ่านตัวลำคาตัวงุ่นหงิดหรือเจตัวรู้เวลาเดินเนี่ยรู้สึกตัวจิตมันจะตกเข้ามาสู่เส้นทางอริยมรดโดยธรรมชาติมัน เดินไปไหนมาไหนเราอาบน้ำเรากินข้าวลืมน้อยมันจะนึกขึ้นได้อยู่บ่อยๆบย่อยๆบย่อยๆแต่ไม่ถึงกับอยู่ปัจจุบันได้เลยแต่การทำอย่างนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าชีวิตมันมีประมาณเนียและตัวสำคัญมั่นหมายเนี่ยตัวตนเนี่ยจะลดลงและไม่สงสัยในวิธีการดับทุกข์ ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยหรือในพุทธศาสนานะที่ถนาเส้นทางการดับทุกทุกรู้จากทันทีสมุทยเหตุเกิดทุกข์ก็มองออกนิโรธก็ดับทุกได้แล้วน้อยหนึ่งทุกมันเริ่มดับแล้วพอรู้เห็นแล้วอย่างรู้รูปนามเนี่ยความคิดความปรุงแต่ ง, ง, ง็วามงงมันหายไปเลยหรือแต่ตัวรู้ล้้แล้วสัมผัสได้แต่ดีโอ้ความทุกข์ดับเนี่ยมันดับตรงนี้นเนาะดับแบบนี้นะ สภาวะเกิดดับของจิตเกิดขึ้นเกิดดับในรูปในนามคือภาวะของอนิจจังอนัตตาในจิตเนี่ยเกิดขึ้นเห็นในเบื้องต้นเนี่มันก็จำใสขึ้นมาแี่ถ้าความเพียรเราไม่ลดละเราดูอยู่เรื่อย ๆ, ๆก็จะกลายเป็นสภาวะจิตที่รู้ล้วนๆเลยเดินไปก็รู้ล้วน ๆ, ๆเดินมาก็รู้เห็นเป็นรูป รูปธรรมนามธรรมโดยธรรมชาติมันรูปมันทำการทำงานก็เป็นสมาธิที่เห็นรูปธรรมก็เห็นนามธรรมจิตมันคิดก็เห็นแต่ไม่ไม่ปรุงเกิดแล้วก็ดับไปโดยธรรมดานีมันจะประทับใจประทับจงกระทงน้าตาไหลเกิดปีติขึ้นมาเกิดปัจสถานิเกิดขึ้นมาเกิดความแจ่มแจ้งเกิดภาวะที่มันสว่างสวัย มีแต่ความเอิบอิ่มซาบซ่านอยู่ในใจมีความภูมิใจภูมิใจที่มองย้อนกลับหลังว่าทำไมเราโง่ขนาดนี้ชีวิตนะทำไมเราปล่อยให้ความคิดมันเข้ามาในชีวิตทำไมเราปรุงแต่งขนาดนี้ทำไมเราปล่อยให้จิตเราท่องเที่ยวในวัตฏสงสารไปในความรักความชางังความโกรธความเกลียดอยิจฉาพยาบาทคนโน้นคนนี้ทาไมเป็นอย่างนั้นนะ การเห็นเนี่ยทำให้เกิดการคลายคลายความยึดมั่นถือมั่นคือถ้าเห็นด้วยปัญญาญาณเนี่ยมันไม่เหมือนเห็นด้วยความคิดนะถ้าเห็นด้วยความคิดหรือคิดเอาเนี่ยมันจะ เ, จยเฉยๆอยู่มันไม่มีผลต่อการทุกข์ที่สลายรู้หดตัวได้นั้นปัญญาที่เกิดจากการทำความรู้ตัวทวพร้อมเนี่ย มันทำให้เกิดความเข้าใจที่เกิดภาวะที่เรียกว่ารู้แจ้งนะคืออะไรมันไม่ใช่เข้าใจธรรมดานะแต่มันเป็นความทราบซึมตรึงอยู่ในจิตเมื่อสัมผัสแล้วเราจะเข้าใจนี้ว่าเรารู้อาการนี้เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เวลาไหนตอนเช้าตอนเย็นตอนตื่นนอนลตอนหลับตาตอนแปลงฟันหรืออาบน้ำ ภาวะอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นตอนไหนมันจะประจักษ์ชัดอยู่ในจิตอยู่แบบนั้นนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่การมาใช้หัวที่จะมานั่งฟังให้เข้าใจใเลยประมาณนี้ในความเข้าใจนี่เป็นจินตามยปัญญาไปทำภาวนาให้มันเกิดภาวนาคือการเฝ้าดูให้มันเห็นตามนั้นเขาบอกว่าวัวเป็นรูปร่างแบบนี้เวลาไปยิงเราจะอาจจะเจ้าช้างมาก็ได้เพราะเราไม่เห็นไม่รู้ คือวัวก็ต้องเป็นวัวจริงๆอะสามารถนั่งได้ขี่ได้ตัวความมั่นใจในตัวพุท ธ, ธคือตัวรู้เนี่ยเวลามันปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นถ้าอยู่กับปัจจุบันในรู้สึกว่าเออมันควบคุมได้ควบคุมตัวคิดตัวปรุงแต่งตัวทุกข์ทั้งหลายหายไปได้อยู่ปัจจุบันได้เนี่ยเราจะมั่นใจเลย ที่จะรู้สึกตัวนั้นพอมาถึงจังหวะนี้นี่ความยึดมั่นถือมันในรูปแบบในอุปทานทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าวิธีนั้นถูกวิธีนี้ผิดวิธีนี้ดีวิธีนั้นไม่ดีหายไปจากใจนิกายนั้นนีกาย น, นี้มันไม่มีแล้วในใจเนี่ยมันเหลือแต่ตัวพุทธพุทธทรู้ตื่นเบิกบานล้วนๆอยู่ในใจเนี่ยแล้วเข้าใจคําว่าคําสอนของพระุทธเจ้าคืออะไรอ่ะ เป็นปัจจจตตังคืออะไรเอหิปัสิโกโคืออะไรอารหังเป็นผู้ไกลจากเกล็ไกลแบบไหนเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจแบบตรงๆงตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าได้เลยเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเนี่ยเป็นยังไงเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศเป็นยังไงรู้พร้อมกับอะไรพร้อมกับการเคลื่อนไหวสติรู้พร้อมกับการคิดพอคิดขึ้นมาทันดีก็รู้ทันดีอุปทานเกิดตรงไหนเห็นตรงนั้ น, น, นดับตรงนั้น เอธเสสานิวีสวานานิมีสตินิรุจมานานิรุจติมันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นเกิดทางตากระดับที่ตาทีนี้เกิดทางหูก็ดับที่หูทางจมูกกระดับที่จมูกเกิดทางลิ้นที่กายที่จิตคิดป๊บดับปั๊บได้ทันทีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อเราสมัครฝึกฝนใหม่ๆเป็นคนสมัครเล่นน่ะมันยังเข้าสู่หมดสติอันนี้ไม่ได้ นั้นเราก็ไปรู้กระ บ, บวนการของธาตุสี่หรือว่ากายยาลุกปศนาหรือการระลึกรู้ดูกายเห็นกายเนี่ยไม่เป็นนั้นการปฏิบัติทําห้าวันเจ็ดวันสิ่งเหล่านี้ถือว่าอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้โดยที่ไม่ยากเย็นอะไรนะักเว้นไว้แต่คนมีทิฏฐิมานะคนขี้เกียจอย่างเงี้ยจะยาก จะไม่อาจสัมผัสเรื่องอันนี้ได้เพราะอันนี้เราถือว่าเป็นหญ้าปากคอกถ้าเป็นวัวเป็นควายก็คือหญ้าที่มันต้องกินก่อนมันตื่นขึ้นมามันกินดีๆนะมีหญ้าอยู่ปากคอกแถวๆเนี่ยอารมณ์รูปนามคือหญ้าปากคอกของการปฏิบัติธรรมการรู้แจ้งในเบื้องต้นเนี่ยเป็นสิ่งทา่ต้องรู้ต้องเห็นก่อน หลังจากที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วคือไฟพอแล้วจุดติดเนี่ยเราจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเว้นไว้แต่จุดไฟไม่ติดคือไม่ได้สติจริงๆอะ่ะก็จะไม่เห็นรูปเห็นนามโดยธรรมชาติการเห็นรูปนามเนี่ยเห็นได้แบบปัจจุบันทันด่วนอยู่ๆก็เปิดไฟเหมือนเราเปิดไฟในที่มืดเองมันมืดเปิดไฟติดพลุบขึ้นมามนก็มองเห็นโดยธรรมชาติไปเนี่ยไม่ใช่เห็นทีละน้อยละน้อยละน้อยคิดตามอย่างเงี้ย การรู้แจ้งไม่ใช่การคิดตามแต่เกิดจากการสัมผัสกับสภาวะธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการให้สภาวะธรรมปรากฏเกิดขึ้นอันนี้ให้เกิดการเห็นการเห็นนั้นจะเป็นเป็นธรรมชาตินเนี่ยส่งผลต่อการดูกายดูจิตได้เลยรู้นามและดูจิตได้สบายมันคิดมันไม่คิดเดินไปเดินมาทำการทำงานมันคิดขึ้นมันก็ดับเองโดยธรรมชาตินั่นแหละ ถึงตอนนั้นเขาเยกว่าเออไปฝึกกับการกับงานก็ได้เพราะมันเป็นแล้วมันอยู่ได้แล้วเรารู้แล้วนะพอมัารู้แล้วจะเดินไปเดินมากินข้าวกินน้ำอะไรไม่ว่าจะทำอะไรจะเริ่มรู้สึกว่าเราฝึกได้ ล, ละดังนั้นตัวฐานกายเนี่ยมีส่วนสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆุกคนจะต้องฝึกให้ต่อเนื่องทำให้สติมันอยู่กับกายมันชัดเจน แต่การอยู่กับกายเนี่ยไม่ใช่มาอยู่กับกายได้เลยนะมันต้องกำจัดความง่วงความเหงาความเบื่อความฟุ้งซ่านก่อนนั้นจะอยู่กับกายก็อยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่ไปข่มให้มันอยู่กดให้มันอยู่ถ้ากดให้มันอยู่ข่มให้มันอยู่แล้วมันยังไม่เป็นเองเนี่ยมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้แล้วจะปวดหัวแน่นหน้าอกอึดอัดเพราะมันไม่ได้เป็นเองไง ตถาคตตถาคตตถาคตคือสภาวะที่มันเป็นเองหละความเชื่อในพุทธศาสนานะกรรมสัทธาเชื่อกำรเรชื่อกำรรคือเชื่อการกระทำของตัวเองนี่นะกรรมสัทธาวิปากาทตาเ ช, ชื่อผลของกรรมเชื่อวิบาก และกรรมสักตาศรัทธาเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันในที่เห็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมอาจจะเป็นกรรมพันธ์กรรมกิเลสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอย่างเราเกิดมาอาจจะเป็นโรคมะเร็งโลกนั้นโลกนี้เกิดจากกรรมพันธ์ก็มี โรคตับโรคไตโรคเบาหวานโรคหืดโรคหอบเป็นกรรมพันธุ์ก็มีแต่บางอย่างเกิดจากการกระทําของเราเองที่เกิดจากความไม่รู้ความไม่รู้ในทางโลกแล้วไปทำเขามไม่เรียกว่าอาวิชชาคนละเรื่องนะไม่รู้เรื่องสุขภาพร่างกายไม่รู้การกินการดื่มกันอะไรไม่เรียกว่อวิชชานะวิชชาในหมายถึงการรู้แจ้งในปัญญาญาณทั้งสามที่เป็นททาง เกิดมาเกิดผลนั่นเขาถึงเรียกว่าวิชาเกิดแต่การไม่รู้ในเรื่องสังขารเรื่องของร่างกายที่มันเกิดการทำการทำงานโลกงโลกแบบนี้ไม่เรียกเอว่าอาวิชาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลกรรมเป็นโลกีธรรมเป็นกรรมมกิจเดเบื้องต้นที่สร้างปัญหาให้กับเรา ปัญหาให้กับกายสังเกตดูว่าพุทธศาสนาเนี่ยพระเป็นโรคมากๆเจ็บไข้ได้ป่วยก็บรรลุทำได้เป็นโรคอหฮิวาอย่างเงี้ยเป็นโรคไข้โรคอะไรเนี่ยพระปูติทักะในมหาสมัยสูตรใน อะไรก็ตามแม้แต่พระเจ้าสุตโตตะณะเนี่ยก็บรรลุทำตอนป่วยตอนไข้ไปหมดนะท่านพุทธธรรมนี่มันไม่ได้เหมือนทางโลกทางโลกว่าจิตดีอาศัยอยู่ในกายที่มันดีร่างกายที่ดีเข้มแข็งมันจีไม่เกี่ยวกันยิ่งคนสามารถจเจริญสติแยกรูปแยกนามออกจากกันเป็นแล้วเนี่ยจะคนละภาวะกันทุกกายก็คือทุกกายทุ ก, ก็คือทุกใจก็คือใจ ถ้างั้นเขาไม่เรียกว่าทุกแก้ทุ ก, ก, ทกได้โดยสิ้นเชิงแล้วสังเกตว่าคนแก่ๆอายุมากๆเขาถ้าเป็นโยมเขาจะติดกายติดรูปแต่ถ้าเป็นพระที่ฝึกฝนมายิ่งแจ่มใสยิ่งแก่ยิ่งวิทยายุทธสูงสติสัมภยาแก่กล้ามองเห็นรูปเพ่ง น, น้ำเหมือนขยะเหมือนพยับแดดเหมือนฟองนา้า เหมือนเสเลดที่อยู่ในปลายลิ้นเกิดดับเองโดยธรรมชาติใจไม่ไปผูกพันจนกรทั่งสามารถถึงขั้นที่ดับทุกได้โดยสิ้นเชิงคือปล่อยวางได้ทั้งหมดแต่ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องเจริญอริยมรรคคือระ ล, ลึกรู้ต่อเนื่องให้จิตมันห่างไกลออกไปเรื่อยๆรๆๆจนอยู่ในภาวะที่ มันเหมาะสมมันทำใจได้ั้นความลังเลสงสัยในรูปแบบในวิธีการเนี่ยหายไปจากใจเขาเรียกว่าดับตัววิจิกิจฉาไม่สงสัยไม่ลังเลแล้วมีความศรัทธาในสภาวะธรรมที่เรียกว่าตถาคะตะโพธิศรัทธา ตถาคตโพธิสัต t h คือศรัทธาในความเป็นเองของสติสัมปชัญญะที่เราฝึกแล้วเนี่ยภาพว่าที่มันเป็นเองมันรู้เองเห็นเองมันเกิดขึ้นเองมันเป็นยังไงอ่ะเราศรัทธาอนั้นแต่ไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าคือพอเราเข้าใจเนี่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ เราเข้าใจสภาวะอันนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะพระพุทธเจ้าก็คือคนที่รู้เรื่องนี้นี่เองนะท่านเป็นบุคคลพิเศษจริงๆนะที่ท่านรู้อันเนี้ยแต่พระพุทธเจ้าเจ้าจะมีฤทธ์ก็ได้ไม่มีฤทธ์ก็ได้เก่งก็ได้ไม่เก่งก็ได้นะเราไม่ได้ไปอยู่ในประเด็นนั้นแล้วเราไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นแบบบุคคลตัวตนที่มีความเก่งความพิเศษวิโสใครจะดูถูกดูหมิ่นพระพุทธเจ้ายังไงเราไม่ได้คิดอะไร พอเราไม่ได้รักพระพุทธเจ้าแบบตัวตนแต่เรารักในสิ่งที่ความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านนี้ท่านตัวอัตตาตัวตนเราก็น้อยลงอะเพราะเราไม่ได้ไปทุกตรงนั้นวิกฤติจิตาความลังเลสงสัยในตัวพุทธธรรมไม่สงสัยละก็นําไปสู่ภาวะของ ความยึดติดว่าวิธีนั้นถูกวิธีนี้ผิดต้องรูปแบบแบบนั้นต้องกินเจต้องกินเนื้อกินผักกินหญ้ากินอะไรต่างๆเนี่ยต้องเคร่งคัดต้องสื่อสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสินห้าสินแดสินจบไปไอความรู้สึกความลังเลงมันไม่มีความมันจะไม่มีอะไรอยู่ในใจนี่ความเข้าใจเบื้องต้นต้องปรากฏขึ้นต้องเห็นแจ้งแบบนี้ไม่ลังเลสงสัยละหลุดไปละจากจิตนี่ ความงมงายความยึดติดในพิธีกรรมหลากหลายอย่างที่มีปรากฏในสังคมเนี่ยมันหมดไปความเชื่อความงมงายเรื่องผีเรื่องสางเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชไม่มีในใจของผู้เข้าทำเห็นรมเข้าสู่ทำระดับแรกมันไม่มีอ่ะเวลาคนดุคนด่าว่าเก่าก็เฉยเป็นวางเป็น พอรู้ว่าทุกข์มันอยู่ในใจแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปไปฝึกฝนเราเราตั้งใจรักษาศีลห้าเก่งกัดถือศีลแบบรูปๆคลํๆเนี่ยเราจะหงหงิดแล้วดูถูกดูหมิ่นคนอื่นแล้วบางทีเกิดทิฏฐิมานะด้วยมากด้วยอันนั่นถูกอันนี้ผิดทำอย่างนั้นไม่เหมาะสมทำนี้เป็นเน่โ่นน่ย น, นีจิตมันติดอารมณ์เพราะมันไม่ได้เกิดจากปัญญาญาณเนี่ย ไม่ได้เกิดจากปัญญาญาณไม่ได้เห็นแจ้งในจิตรักษาศีลห้าในรักษาจนตายรักษาศี่8แม้แต่ศี่สองิบเจ็ข้อของพระเนี่ยรักษาจนตายก็ทําความโกรธให้ดับไม่ได้ทําความโลภให้ดับไม่ได้ความหลงให้ดับไม่ได้แต่พอเราจเจริญสติเราจะรู้ันะดีเนี่ยสมัยหนึ่งมีพระไปศึกษากับพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่อย่างอยู่แล้วี่มันเยอะข้อวัดปฏิบัติมากมายหลากหลายเหลือเกินทุกข์มาก ปุจจานเลยว่าถ้างั้นเธอรักษาสีนข้อเดียวก็ได้เธออะไรไปรู้สึกตัวดูใจดูปรากฏการณ์ในจิตการดูปรากฏการณในจิตเนี่ยมันทําให้เกิดปัญญายา น, น, นเกิดสภาวะสับปักแจ่มแจ้งขึ้นมาเห็นแจ้งเห็นจริงองนนี้แล้วทุกมันดับไปเองแล้วจะอะไรครูรู้ว่าอะไรคือทุกคืออะไรคือทุกอ่ะทุกขังอณิจังอะไรคือทุกในอริยสัจอะไรคือทุกในรูปในนามอะไรคือทุกในปรมาทัย เดี๋ยนี่เราไม่เข้าใจแล้วเขาโม่ๆกันไปหมดเลยดูทุกก็มาทำให้ร่างกายนีเป็นทุกอะไรไประมาณนั้นนะหรือบางทีธรรมะเไปอ่านตำราว่าเออถ้ารักษาศีลห้าตลอดแล้วเป็นพระโสดาบันโม่ๆไปหมดนะอย่างอนาคามีเขาแปลว่าผู้ไม่มีอารมณ์แบบชาวบ้านคือดับอารมณ์กามได้นะ แต่คนก็ไปว่าคนไหนที่ไม่คลองเรือนไม่อยู่บ้านอยู่เรือนอยู่วัดอยู่ว่าอยู่อะไรยิ่งจ่านีนะ่ไม่ติดเรือนติดบ้านเป็นอนาคาเมีแปล โ, โง่โง่แปลตื้นตื้นแปลเข้ากับกิเลสตัวเองนะพุทธธรรมนี่เป็นเรื่องสภาวะจิตอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องอื่นแต่ว่าต้องเกิดจากปัญญาเกิดจากญานนณทัศนะไม่ได้เกิดตามความคิดไม่ได้ตีตามตัวอักษร นั้นภาวะที้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยความคิดที่เกิดขึ้นมันจะเห็นบ่อยๆเข้าบ่อยๆเขาจะรู้ดีเนี่ยนะความสงบที่เป็นสมถะมันเป็นยังไงความสงบที่เป็นวิปัสสนาเป็นยังไงสมถะกับวิปัสสนามันแยกกันตรงไหนอย่างเรายกมือสร้างจังหวะเนี่ยแล้วลึกรู้อยู่เรื่อยๆพอไปสักพักหนึ่งมันสงบ มันสงบล่งๆสบายๆแต่มันยังไม่เปิดปัญญาสงบแบบนั้นเขาเรียกว่าสมถะจริงสมถะกับวิปัสสนามันเป็นฐานนั่นเดียวกันของพุทธศาสนาเนี่นเป็นอันเดียวกันแต่เพราะคนทําแล้วมันผิดมากมันหลงเข้าไปในแบบพราหมมากเขาเลยแยกสมถะเป็นแบบพราหมณ์ไปให้รู้ชัดเจนกันไปเลยแต่จริงๆสมถะพุทธศาสนาคือถ้าระลึกรู้ตัวอยู่แต่ยังไม่เกิดการรู้แจ้งนี่ยเขเป็นสมถะ และลึกรู้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่พอรา ล, ลึกรู้มันพอตัวของมันในระดับหนึ่งมันเกิดภาวะแจ่มแจ้งเข้ามาเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาเป็นชื่อของปัญญานะปัญญาการเห็นแจ้งต่างเก่าล่วงภาวะเดิมมันแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสนาญาณเกิดนะเริ่มตั้งแต่การเห็นความคิด เห็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปเห็นนา ม, มารูปปริเฉทะยานเห็นนา ม, มารูปเกิดดับเนี่ยนั่นแหละในเบื้องต้นในยาณสนะิบหกน่ยขึ้นไปจนโน่นแหละอุทยพยาญชนะชนะยา น, า น, ายานพังขยานผลลยานมัคคัยขึ้นไปสู่โน้นไม่ใช่ไปทําเอาอันใดอันหนึ่งจะได้ไม่ใช่แต่จะต้องเกิด ด้วยการระลึกรู้อยู่ปัจจุบันธรรมชาติไปเรื่อยจนกระทั่งว่าเกิดสติสัมปญญายนิกายเป็นญาณตัวระลึกรู้เนี่ยที่แรกเป็นสรญชาตญาณระลึกรู้เรากําหนดรู้เราใส่ใจที่จะระลึกรู้กําหนดรู้มันถึงอยู่มันถึงรู้แต่พอลืมกําหนดรู้มันก็ไปกับความคิดซะอย่าคือมันยังไม่สามารถที่เป็นญาณเป็นวิปัสนาญาณได้ ต่อมาเวลารู้สึกตัวทุกครั้งก็เกิดการรู้แจ้งขึ้นมานะความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเขาเรียกว่าปัญญายานนะจะต้องเห็นการเกิดดับที่เป็นปรมัดเนี่ยไม่ใช่ความคิดเกิดมาแล้วก็ดับไปความว่วงเกิดมาแล้วก็ดับไปอะไรประมาณนี้แต่การเกิดดับมันจะเห็นเป็นสภาวะเป็นครั้งเดียวแล้วมันดับได้เลยภาวะอย่างนี้ ที่เขาเรียกว่าเป็นยาณทัศนะให้รู้แจ้งด้วยยาณทัศนะ น, นให้มันเกิดกับจิตนะแต่มันอยู่กับสตินี่แหละพุทธิยถาก็บอกว่าคำสอนพุทธิยถาแพันระธรรมขันธ์นี่รวมลงในความรู้ตัวแต่ว่าเราทำความรู้ตัวได้มากน้อยแค่ไหนที่จริงเราเป็นก้อนอุจจระก้อนปัสสาวะ ก้อนทุกข์ ก, ขกขอ้อนไรเฉยๆนะแต่อัตตาตัวตนเราเนี่มันเกิดขึ้นมามากเราคิดว่ามีตัวมีตน ม, มีกูมีมึงมีเขามีเรากูมีความรู้กูมีความเข้าใจมี น, นู่นมีนี่ทั้งที่จริงเป็นก้อนทุกข์เท่านั้นเองแต่เมื่อไหร่ที่มันรู้แจ้งเข้าใจมันปรับชีวิตเข้ากับธรรมชาติที่มันเป็นเขาก็เรียกว่าก้อนธรรมนั้นั้นการรู้แจ้งจะไม่ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารชีวิตธรรมดา บางคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยพัฒนาตัวเองดีมากมางทีบางคนนึกกบไปโชว์กับพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยข้าพเจ้าเกิดมาข้าพเจ้าไม่ทุกเลยนะไม่ทุกเลยโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เป็นขนะ้ะพเจ้ากินดีอาหารดีว่าจิตแบบโน้นแบบนี้นะถือดอกไม้ไปฝากพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้าบอสอนเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องทุกข้าพเจ้าไม่ได้ทุกข้าพเจ้าไม่ทุก พอไปถึงพระเยาวางสีพรามถ้าจะคุยกับตถาคตนวางลงเขาถือดอกไม้ไปเขาก็วางพระพุทธเจ้าวางสีพรามเอา้าก็วางแล้วนี่ยังจะให้วางเลยวางตัววางตนวางความอวดดื้อถือดีตัวเองที่คิดว่าตัวเองเข้าใจตัวเองไม่มีทุกข์นั่นนะวางทุกข์งลงให้ได้ไอ้ ه, วางยังไงเนี่ยพราพุทเจ้าก็ไม่ทุกข วางสีพรามวางตัววางวางอัตตาวางความยึดมัน่นถึงมันอุปทานนลงคือมันอยู่ลึกไงไอเรื่องพวกนี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการรู้สึกและการคาดคณนเอาอยู่ปัจจุบันตื้นๆ น, นะนนี้จะเป็นธรรมะถ้าเป็นอย่างนี้เข้าใจได้แล้วเนี่ยไม่ใช่พุทธธรรมเพราพุทธธรรมเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้แล้วดับทุก์ได้โดยสิ้นเชิงมันไม่มีเชิงไม่มีเงืง่อนไม่มีไข ไม่มีมูลให้เห็นน่ะเหมือนประฏิบมดเชื้อดับไปอย่างเงี้ยเราจุดยังไงก็ไม่ติดตะเกียงมีไม่มีรูปร่างกายมีไม่มีแต่จุดติดไหมกิเลสมันไม่ติดเพราะมันดับเชื้อของเราจุดตอนไหนก็ติดตอนนั้นเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เห็นตรงที่มันเป็นเชื้อแต่มันอยู่ที่ความคิดคิดเอาไงดงนั้นต้องดับกิเลส ด, ดับตั้งแต่เบื้องต้นที่เราพรรษา ตั้งแต่ตแต่งง่วงแต่งเหงาแต่งปรุงแต่งตั้งอะไรเราต้องเห็นภาวะนี้เข้าไปตามลำดับจนสามารถเข้าใจได้โอ้มันเป็นีนี่เองเนาะหลายหลายคนไปถือศีลก็ถือไปงั้นแหละแต่มันมันไม่เกิดปัญญากระดับทุกไม่ได้มันดับทุกไม่ได้บางทีสดใสอยู่ข้างนอกแต่ข้างในขุนนะอยู่ได้เพราะระเบียบพิธี ประเพณีวันนี้แต่ข้างในมันกลวงมันไม่มีแก่นสารไม่มีสาระจิตมันไม่มีความหนักแน่นเขาก็เลยให้ฝึกสติสัมปชัญญะให้มันเห็นโยมทั้งแยกได้ว่าเออออกมาอย่างนี้แล้วมันสงบเนาะเนี่ยพอสงบบางทีเราก็ไปเห็นนะที่สำนักโนสนี้เขาฝึกเขาก็สงบแต่สงบแบบไหนที่มันเป็นวิปัสนา หลังจากมันรู้รูปนามขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มรู้จากทันทีอ่ะอสงบแบบวิปัสนาเป็นแบบนี้นะสงบแบบสมถะเป็นแบบนั้นสงบแบบนั้นจะหลงทางก็รู้หลงทางไปอยู่กับฤทธิ์กับเดชกับความสุขความสบายติดวิปลาสจะรู้จักสงบแบบเกิดปัญญาเกิดวิปัสนารู้สงบแบบรู้กับสงบแบบไม่รู้มันจะเข้าใจอ่ะ ดังนั้นก็มีอย่างหนึ่งก็คือก็จเจริญวิปัสนาจเจริญตัวรู้เนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้มันต่อเนื่องไปื่อเข้าสู่สภาวะจิตที่ลึกๆของตัวเองเนี่ยเดินกลับเข้ามาภายในในภาวะที่ไม่ชนไปทางซ้ายทางขวาเหมือนกันาพายเรือไม่ติดไม่ติดคลองติดหินติดจอกติดแหนคือไม่ติดรูปรสกินเสียงฝั่งนอกฝั่งในก็คือไม่ติดความพอใจในตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ติดจมอยู่ในสมาธิไม่ติดอยู่ในความสุขสบายทางกายทางจิตและลึกรู้อยู่ปัจจุบันเป็นเดินหน้าไปล้วนๆโอ้พี่ปััสนาไปดีนะมันแจ่มแจ้งขึ้นความแจ่มแจ้งปรากฏเกิดขึ้นในบางทีเกิดขึ้นเกิดความเข้าใจขยับไปดีแล้วขณะขณะแต่บางทีมันเกิดสะดุดและเกิดแจ่มแจ้งขึ้นมารู้อะไรเป็นอะไรเลยความคิดเกิดขึ้นวันเห็นนดีเกิดขึ้นมา มันรู้ว่ามันเป็นอนิจจังยังไงนีมันเป็นอนันตายังไงรู้จักอนิจจังอนันตานะในรูปในนามเนี่ยจะส่งผลทําให้เกิดความเข้าใจภาวะสมมุตินะสมมุติที่เกิดขึ้นกับจิตเราที่เรายึดติดเนี่ยยึดติดเรื่องสมมุติเป็นหญิงเป็นชายสมมุติเรื่องเงินเรื่อ ง, อ ง, องทองสมมุติความสวยความงามสมมุติทางเนื้อหนังให้เป็นแบบ น, น้นแบบนี้นี่สมมุติความรวยความจนเนี่ยจิตมันจะถอนอนันตาตัวนี้ คือการรู้ด้วยวิปัสนาเนี่ยรู้ขยับไปเท่าไหร่ความสุขก็เกิดขึ้นแต่นั้นน่ะแต่เขาไม่ให้ติดความสุขแต่บางคนรู้แจ้งแล้วก็ติดความสุขติดปีติคุณต้องสละตัวปีติสลัตัวสุขคือยิ่งเข้าใจจิตมันเยือกเย็นเหมือนเดินลงไปในทะเลนะเดินลงไปเท่าไหร่มันก็เย็นลงไปแต่นั้นเย็นนันแต่มันค่อยคอยเย็นลงไปแบบนี้ธรรมะของพระเจ้าเหมือนกันเมื่อไหร่ที่มาอา รถราดลงมาบนจิตของเราความเข้าใจแจ่มแจ้งเกิดขึ้นเท่าไรมันไม่เหมือนอ่านในตำรานะอ่านในตำรานี่จิตใจจะคับแคบแต่ถ้ารู้แจ้งที่เกิดจากการชำระล้างจิตเนี่ยใจมันจะกว้างไม่ได้จะสงสารคนอื่นนะ่ะสงสารคนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นะสงสารนี่เป็เหมือนกันนะี่ะมองคนน้นเนี่โอ้คนนี้ทิฐิเยอะเนาะคนนี้มานะสูงนะคนนี้อ่อนน้อมถ่อมตัวนะคนนั้นเป็นเนี้กนะ็ได้แต่สงสารว่าเออทาไงจะช่วยคนนั้นได้ช่วยคนนี้ได้ แต่ช่วยไม่ได้ช่วยไม่แล้วก็เฉยนั้นเมตตาเกิดขึ้นมาเองธรรมะของผู้ใหญ่เนี่ยกรุณาเมตตาก็คิดสงสารเขากรุณาก็อยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์ไม่ใช่ให้เงินให้ทองช่วยเหลือนะช่วยเหลือให้เขาเบาแรงทา น, นุ่นไม่ใช่จะพ้นทำให้เขาพ้นออกจากความคิดนะ่ะนะธรรมะในพุทธศาสนานะ พรหมวิหารเนี่ยคือผลจะให้ทาให้เขาพ้นทุกพผลทุกคือทุกที่เกิดจากจิตจากความคิดความปรุงแทง่งนะเมตตากรุณาเกิดขึ้นมุทิตามันเฉยเป็นน่มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีคนไหนทำเขาได้อารมณ์ดีใจด้วยไม่อิจฉาโอ้ดีใจนะมันเป็นความดีใจที่มันเป็นธรรมชาตินะแต่คนไหนเขายังทำไม่ได้เราก็เฉยดูเฉยเฉยเป็น ไม่ไปตื่นเต้นกับเขาเขาทำไม่ได้คือไม่ได้ไม่ควรนขวายแต่บางคนถ้ามันเป็นวิปัสนาคือกิเลสนะตื่อไปคลุกกับจิตที่มันเป็นวิปัสนาแล้วมันจะมีอารมณ์มีความหวังดีความยินดีความอะไรเพิดเพลินความพอใจอันนั้นมันจะติดอารมณ์หน่อยนะจิตมันยังไม่สดใสมันยังไม่ตื่นพอเ็าทำละหลางคือดูให้มันเห็นมันชัด ชทดูเท่าว่าเข้าใจเรื่องสมมุติเนี่ยภาวะอันนี้ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็สลัดสมมุติได้สมมุติดีสมมติงามสมมุติถูกบางทีเราเถียงกันนะบางเรื่องอันนั้นดีอันนี้จริงๆความคิดทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตามความความรู้ที่เราเข้าใจมาความรู้เนี่ยเรารู้จากจำมาก็มีฟังมากับมีอ่านมากับมีกรอบของความรู้ก็อยู่ภายใต้ของความโลภโกรธหลง อยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรมศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ชั่วแล้วเราก็มาถกมาเถียงกันแต่จิตอันนี้จะอยู่เหนือภาวะอันนี้มันไม่ได้อยู่แบบนี้นั้นคนที่เข้าใจสัจธรรมจะไปคุยกับคนที่ไม่เข้าใจเหมือนกับคนตาดีไปคุยกับคนตาบอดแล้วไปเรื่องเล่าเรื่องสวรรค์ให้ฟังว่าคนหนึ่งเคยไปเห็นสวรรค์แต่อีกคนหนึ่งอยู่ในดินเนี่ยเล่ายัางไงอ่ะ เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ถกเถียงนั้นเราทั้งหลายต้องพึงสังเกตและลึกรูให้ดีถ้าเข้าใจสมมติจิตมันจะคลายตัวนำไปสู่ความวิมุตติอีกระดับหนึ่งมีหมดไปว่าหลุดหลุดจากอารมณ์มเนี่ยในระดับหนึ่งแต่บางคนทะลุไปเลยบางทีรู้รูปนาม รู้แจ้งอีกครั้งเดียวบรรลุทะลุสู่ความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้เลยแต่บางคนรู้ไปทีลนะน้อยเว้นวันเป็นเดือนแต่บางคนเป็นปีเป็นหลายปีพราะอะเพราะว่าหลงไปกับอารมณ์นานหลงไปกับอารมณ์ดีใจสพอใจติดความคิดความรู้ ความรู้ไม่รู้มันเกิดมาจากไหนนะมันรู้สมมุตริรู้นั่นรู้นี่ขึ้นมามองไหนก็เป็นไปหมดอนะ่ะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังกลาเป็นสมมุติภาวะไปหมดอนะไม่ใช่คิดเอานะแต่มันเกิดกับจิตเรายิ่งจิตมันเป็นสมาธิมันปกติเท่าไหร่เนี่ยยิ่งอยู่กับรู้กับน้ําเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นธรรมชาติแบบนี้มากขึ้นจิตเนี่ยมันจะเหมือนกับเสาหรือเหมือนอะไรสักอย่างที่อะไรลมมากระทบเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหว หลังจากมันพัฒนาจากตัวสติในรูปในนามมาแล้วก็เป็นเป็นสภาวะการรู้แจ้งเห็นไตรลักนี่แหละแล้วจิตมันจะไม่หวั่นไหวแล้วมันก็จะขึ้นสู่อารม์รู้จิตในจิตหรือรู้จากขันธ์หน้าซึ่งเป็นตัวปรามัตถสภาวะแท้ๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยทำให้กิเลสมันจืดจางอาสวะทั้งห่ายจะเริ่มหดตัวตัวสติจะมีอานาจ ในการเห็นความคิดนี้มันเหมือนกับหนังน่ะหนังวัวหนังควายหรือหนังเข็มที่เราโยนเข้าไปในไฟนี่มันจะหดตัวแบบนั้นนะมันจะเกิดการจืดไปนั้นนะเพราะอํานาจของสติสัมปชัญญะมันเข้มมันเหมือนเหมือนไฟเขาเรียกว่าตะบะไฟตะบะแผดเผากิเลสอย่างนี้วัลธรรมเดี๋ยนี้เรากลัวกลัวงงกลัวเงากลัวเบื่อกลัวคิดตัวฟุ้งซ่านกลัวนั่นกลัวนี่ แต่พอสติอย่างระดับนี้แล้วเนี่ยง่วงมาเห็นยิ่งเข้าใจยิ่งดับความคิดความพรุงแต่งยิ่งอยากให้มันเกิดเหมือนเขาว่านะพอได้สติแล้วยิ่งอยากเข้าไปใกล้ๆกรงครัวอยากฟังเสียงนั่นอยากให้อ น, นันอันนี้กระทบกระทบเท่าไหร่ดับได้เท่านั้นกระทบเท่าไหร่ดับได้เท่านั้นยิ่งเกิดปัญญานิวรจะกลายเป็นเชื้อของธรรมะนั้นในเซนหรือในยิปในศาสนา อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหลวงมาฮายานเขาบอกว่าความเย็นที่สุดมันอยู่กลางใจกลางกองเพลิงความเย็นอยู่ในนั่นบางทีท่านก็เลี่ยงในการที่จะพูดว่าจริงๆธรรมะกับกิเลสเนี่นเดียวกันคนไหนที่สามารถเห็นกิเลสเป็นธรรมะได้นะ่ะนั่นละง่ายคือได้สติปุ๊บเนี่ยเขาบอกไม่ให้นหนีจากกิเลสไม่ห น, หนีจากง่วงทางเงาดูมันดูจนถึงว่า สามารถเห็นธรรมะธรรมชาติจริงคือใจกลางของกิเลสนั่นแหละสามารถเห็นได้ไหมแต่เรามองว่าอันนั้นเป็นกิเลสอันนี้เป็นกิเลสเราไปแยกแยะแต่เขาไม่มีการแยกแยะจริงๆก็พูดสภาวะเดียวกันนั่นแหละแต่มองในมุมกลับนะไม่ได้มองตามมุมหลักการแบบนู้นแบบนี้ให้วุ่นวายนั้นเมื่อเห็นภาวะแบบนี้นี่จิตมันจะเบา แต่ละภาวะจิตมันจะเบาเบาเหมือนมันยกระดับเหมือนเขาบอกว่ามันเหมือนถึกถูกมันดึงขึ้นจากอะไรสักอย่างจากบ่อจากอะไรที่มันเคยจมอยู่เนี่ยจิตนะมันจะถูกดึงขึ้นแล้วมันภาวะที่มันสูงขึ้นมันแจ่มแจ้งขึ้นมันตื่นขึ้นมันตื่นเองตื่นจากกิเจะเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเข้าใจเข้าใจในพุทธศาสนาในประเพณีในพิธีกรรมทาแบบน้นเป็นแบบนี้ท เห็นนะโอ้คนนั้นปฏิบัติแบบนั้นเข้าใจคนนี้ปฏิบัติแบบนี้เข้าใจคนนั้นว่าได้อารมณ์ไม่ไดอารมณ์ไปคุยกับคนนั้คนนี้คือเข้าใจอมันเข้าใจได้อเถียงก็ได้ไม่เถียงก็ได้ฟังก็ได้รู้ ก, ก็ได้อย่างเงี้ยที่ดับความคิดบ่อยๆยิ่งถ้าเห็นตัวตัวอนิจจังในรูปในนามชัดเจนตัวอนัตตาอนัตตาคือ ความไม่ยึดมั่นถือมัน่นพอมาแล้วมันกระดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอันนี้ก็เป็นมัคห น, นึง่งนะ้มัคที่จะขึ้นไปสู่ผลที่สองเนี่ยการระลึกรู้เนี่ยเป็นมัคเป็นมัคของที่ทำให้เกิดอารมณ์รูปนามรูปนามเนี่ยเป็นปัญญาขั้นที่มันเป็นผลของการเจริญอันนี้นะทีนี้สติสัมปชัญญะในขั้นของรูปนามเนี่ยเป็นมัค ของการเห็นใจลักที่อยู่ลึกๆึกนุ่นนั้นคนที่รู้รูปนามหรือคนเข้าสู่สภาว่าทำได้ดวงตาเห็นทำมันจะเห็นใจลักเห็นสมมุติอะไรเนี่ยชัดเจนในชีวิตเนี่ยนั้นจิตของพวกนี้ก็ไม่ค่อยทุกคือเดินไปไหนมาไหนเนี่ยสติเขาเริ่มอยู่เองอะ่ะมันเริ่มเป็นอากาลิกโกมันไม่จํากัดการเวลาเห็นอยู่เรื่อยและดับได้เรื่อยๆไม่จำเป็นต้องมานั่งสรั่งจังหวะเดินจุงก้มนั่งสมาธินั่งอะไรให้จิตมันอยู่ไม่จําเป็น แต่ก็จําเป็นในบางสภาวะที่มันไม่มีคือจิตเขาสามารถทํางานได้แล้วทํางานในการดับทุกข์นี่ได้มีเวลาเขาก็นั่งทำจะเลื่อนสติกําหนดรู้ไปทำมากขึ้นเนี่ยเหมือนเราไปเรียนหนังสือนะพออ่านออกเขียนได้แล้วเราจะเข้าไปในเรียนในห้องก็ได้ไม่เข้าไปก็ได้อย่างเนี้ยแต่ก็อ่านได้เขียนได้มีปัญหาก็ไปปรึกษาคู่เนี่ยไปปรึกษาไปศึกษาไปเรียนรู้เหมือนกันเลยปฏิบัติทำก็เป็นแบบนั้นแหละ นั้นพิฆสูในพุทธศาสนานอกจากติดตามพุทธเจ้าไปสอนไปเทศไปทำตัวนั้นตัวนี้ก็พอดีบางจังหวะเนี่ยต้องอาศัยการปรีวิเวกอย่างการเก็บอารมณ์กันอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวรู้อันนี้มันเข้มขึ้นจากความเป็นมักธรรมดาเนี่ยให้มันทะลุไปสู่ความเป็นผลให้ได้ไง น, นั้นวันนี้อย่างที่เราคุยกันนะจึงว่าอา้าวสมควรเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์เก็บสติ เก็บปากเก็บตาเก็บหูเก็บกิจกรรมอะไรบางคนไปซักผ้านานๆค่อยออกมาเลยว่าซักไปซักมาความคิดมันก็หนีแต่เหลือเปิดเปลืองไปบางทีไปพูดไปคุยกับคนนั้นทําอะไรเนี่ยต้องเร็วเร็วเพื่ออะไรเพื่อจะอยู่กับปัจจุบันธรรมำวันนี้ให้ต่อเนื่องเลยทีนี้พอเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆเห็นไตลักในความคิดบ่อยๆบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยนะเห็นมันเกิดมันดับ เห็นตัวอุทยพยายาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเห็นสมมสนญาณ น, นะเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะบ่อยๆตัวสมมุติเนี่ยจะถูกสลายบ่อยๆสมมุตินี่แหละที่มันเป็นตัวสร้างตัวอุปทานนะถ้าเราไม่ทันสมมติเราดับไม่ทันที่จิตมันสมมุติเรื่องขึ้นมาจิตแล้วก็จะติดนะพอติดก็เป็นอุปทานนะอุปทานนะกรรมมิบากรีนี้นะ ก ล, กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนนี้ทีนี้ถ้าเราสลายตัวความคิดได้บ่อยๆมันมา ก, ก็ดับบ่อยๆนั่นแหละคือตัวดับอุปทานนะ่ะดับอยู่บ่อยๆใหเห็นบ่อยๆมันชัดขึ้นชัดขึ้นจนกรท่ามันเป็นการรู้แจ้งดับแบบเห็นแจ้งภาวะอันเนี้ย ดังนั้นเขาว่าเออความเป็นสักกทาคามีหรือพระสกิทาคามีเนี่ยจึงหมายถึงสภาวะของจิตผู้ที่มีราคะโทสะมูลความโลภนะหมายถึงความมีโลภโทสะโมหเบาบางโ ท, ส ะ, โทสะอย่างความโกรธมันเบาบางมันนิดเดียวเองมันหายไปอ่ะมันเกิดมาหน่อยเดียวเพราะาตัวรู้เราจี้ลงไปแล้ว มันคิดมากรจีแล ah ้ว pues มันก็ดับไปโลภไม่ค่อยมีโกรธไม่ค่อยมีกันหลงเข้าไปในอยู่ในความคิดถ้าหลงอยู่ในเปความคิดเนี่ยยิ่งหลงมากตัวตนคุณก็ยิ่งมากนะคนถือศีลถือสมาธินี่มันยังเข้าไปในความคิดอยู่นะนะยังเข้าไปในอารมณ์อยู่เพราะนั้นเราก็เห็นมันแล้วก็ไม่เข้าไปในมัน่ะดับมันบ่อยๆเมื่อมันมากก็ดับมันดูมันดับมันดับบ่อยเข้าบ่อยเข้าในความโกรธ โกรธมาจากไหนมาจากความคิดแหละมันก็จะเบาบางลงความโลภก็เบาบางลงเพราะอะไรเพราะตัวโมหะนะโลภโกรธหลงแต่วิธีปฏิบัติจริงจเนี่ยปฏิบัติตรงที่หลงโลภโกรธไม่ให้มันหลงมันก็ไม่โลภนะไม่หลงก็้ไปในความคิดเนี่ยมันจะคิดโลภคิดอยากได้นั่นนีนน้ทีนี้ถ้าคิดอยากได้มันไม่ได้สมอยากมันก็โกรธมันจึงเป็นโกรธอยู่ข้างนอกไงแล้วก็โลภแล้วก็หลงแต่ปฏิบัติทำเนี่ยดับที่หลง คำว่าหลงนี่ไม่ใช่หลงรูปหลงนามหลงตัวหลงตนหลงนั่นหลงนี่หลงหลงชังหลงอะไรข้างนอกนี้แต่หลงเข้าไปอยู่ในความคิดเดินจูงกรมเนี่ยหลงกี่ครั้งรู้กี่ครั้งไอหลงนั่นแหละเราจะทําให้มันรู้ตลอดรู้ตลอดจนกระทั่งมันเกิดเป็นวิชาอวิชชาสวะ อาสวะที่หมักหมมเขคือคุณเดินไปเดินมาคุณพูดคุณแชร์โดยคุณไม่รู้สึกตัวฮั้นเวลาตะมาเดินไปโน่นไปนี่คนคุยด้วยตอนเดินคุยตะมาไม่เคยคุยเนี่ยคือไม่ได้อยากคุยกับใครเวลาเดินไปเนี่ยคนมาเดินถามคุยเหมือนโลกโรคคือไม่ใช่ไม่อยากให้เขาได้ความรู้หรืออะไระแต่อยากให้เขากําหนดรู้จิตของเขาเองนะ คนที่มาคุยกับเราเราไม่มีเสียนะแต่เขาจะเสียเพราะเขาไม่รู้สึกจิตเขาหลุดจากฐานเนะ่ยปัญหามันนะคือเขาไม่ได้รู้สึกตัวของเขาเองเพราะเขาทำยังไม่เป็นไง นะยิ่งเราคุยกับเขาเนี่เหมือนรับรองในสิ่งที่เขาพูดเขาคุยเขาทำเนี่ยมันถูกต้องยิ่งตเตลิดเปิดเปลืงไปไกลสงสารบางทีเนี่ยนะนั้นมันจึงไม่มีคําว่าคุยเล่นคุยหัวหรือคุยเอาจริงเอาจังมันไม่มีไม่ได้เอาจริงเอาจังไม่ได้คุยเล่นคุยหัวแต่ให้เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานในใจเราจะมีความน้อมอยู่ทําเรื่องเดียวอันนั้นนะ ถ้าทําได้แบบนี้เหรอต่อเนื่องไปเรื่อยๆๆๆๆนะตัวนั้นแหละพอรบูบโกรธหลงมันเบาบางมันจืดจางเราไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะ่ะจังหวะนี้แหละที่พุทธธรรมเขาเรียกว่าศีลเริ่มปรากฏเนะขาเรียกว่าอธิศีลสิกขาอ ธ, จจอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาจะเริ่มปรากฏเกิดขึ้นในจิตศีลที่ถือว่าเป็นตัวชําระล้างกิเลสในทางพุทธศาสนานะ่ะจะเริ่มปรากฏเกิดขึ้น ศีลแบบปรมัดเขาเรียกว่าปรมัตดทำสภาวะที่จะชำระล้างจิตให้ความศีลกําจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิจำกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดปัญญากาจัดกิดเลสคือมันเกิดปัญญายมันก็ทําลายไอ้ตัวหลงเข้าไปในความคิดนั้นออกได้นะดันั้นเขาต้งบอกว่าตัวศีลเนี่ย ศีละขันขันมันมีศีลศีละขันสมาธิขันปัญญาขันคือขันห้าเราเนี่ยจะมีศีลเองไม่ใช่มีศิละปะกับกายอันนี้ส่วนการกินอย่างไรการนอนอย่างไงการไปการมาเดี๋ยวมันมาจัดสรรของมันเองโดยธรรมชาติแต่มันต้องเกิดจากสภาวะภายในก่อน แต่ไม่ใช่เหมือนศีลสังคมที่เรามีไปวัดไปวาเราก็รักษาศีลเพราะสังคมเราเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่า ง, งนี้ใช่แต่วันไม่สามารถที่จะชำํำระล้างสภาวะของความทุกข์ความยึดติดที่อยู่ภายในได้นอกจากมันเกิดสภาวะนี้มาตามโดยลําดับเนี่ยเราจะเห็นสภาวะศีลปรากฏเกิดขึ้นซื่งสภาวะที่มันปกตินี่แหละศีลแปลว่าปกติเราจะรู้จักตัวปกติเพราะมันไม่มีความโลภกดลงหรือความโกรธโลภโกโลงนี่มันน้อย มันจืดจางไปแล้วนะ่ะมันจึงจุภาวะอันนี้จึงปรากฏเกิดขึ้นนั้นเราก็กลายเป็นคนมีศีลละที่นี่ศีลละได้ศีลละภาษาภาษาอีสานภาษาไม่นอกศีลแปลว่าเฉือนศีลฟืนเนี่ยนะไปตัดฟืนเฉือนฟืนฟันไม้ฟันไหลฟันน้นฟันนี้นะมันนี่เหมือนกันนะ่ะตัวสภาวะ ศีลที่เป็นปรมัตถสตัธรรมเนี่ยมันจะเฉือนกิเลสออกคิดมากก็เฉือนออกง่วงมากก็เฉือนออกนั่นคนมีศีล น, นั่นศีลคืออะไรจริงๆก็คือตัวสภาวะของตัวสตินั่นแหละดังนั้นพระอริยเจ้าจึงมีสติเป็นศีลพอถึงสภาวะนี้เราจึงเคยเห็นเน่ยเคยได้ได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พระทั้งหลายมีสติสมาธิปัญญา ท่านไม่ได้พูดว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลเป็นสติมีสติเป็นศีลเป็นเครื่องชำระล้างใจล้างมันบ่อยๆมันคิดมากั็ล้างออกคิดมากั็ล้างออกแต่เอาศีลห้าศีล8ปดศีล 10, สิบศีลสองร้อยสามร้อยมาล้างล้างไม่ออกเพราะเราไม่เข้าใจเจตนาของพุทธธรรมไงเราก็เข้าใจผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆถามว่ามันถูกไหมมันก็ถูกแต่มันเพีย้ยนหน่ยหน แล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่การตีความล่ะทีนี้มันก็ตีความเหมือนรัฐธรรมนูญนะตีความตีความการตีความก็เข้ากับจิตเราเราทําได้แค่ไหนก็ตีความแบบนั้นไง น, นะคือเราชอบแบบไหนแล้วก็ตีความแบบนั้นเราคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแต่ว่ามันไม่เข้ากับเจตนาของพุทธพจน์นะแต่นี้ต้องเข้าเหงถึงทำเห็นทำรู้ทำก่อนภาวะนี้ยื่ปรากฏเกิดขึ้นพอมีสินอย่างนี้ปุ๊บเอา พวกนี้จะไม่ตกต่ํำละเนี่ยไม่ตกไปในรกละไม่ตกไปในอบายนะพวกมีจิตตกกระแสเนี่ยมันจะไม่ตกไปในอบายอบายภูมิที่เป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เนี่ยที่เกิดอีกเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นมารู้เส้นทางละเส้นทางเดินไปหาพุทธธรรมเส้ น, นทางเดินไปหาพระพุทธเจ้าเส้นทางไปเดินไปสู่ภาวะที่สะอาดสว่างสงบเนี่ยเห็น คือปฏิบัติทำแบบนี้เดินสติแบบนี้เนี่ยมันหายสงสัยเรื่องมรรคผลเนี่ยหวันเจ็ดวันถ้ า, ส า, าถสามารถเข้าถึงทำได้มันหายสงสัยเพียงแต่ว่ามันจะเดินไปถูกหรือเปล่าเดินไปถึงที่สุดทุกไหมเท่านั้นเองเราจึงสา ม, มารถเห็นว่าสมัยพุทธกาลคนนั้นบรรลุทำแค่นี้แล้วก็เลิกบรรลุทำแค่นี้กะเอาจนตายบางทีนี่เอาบรรลุโสดาบันก็โสดาบันอยู่นั่นแหละ บางคนก็เป็นอนาคามีเพราะมันต้องทําความเพียรมากมันถึงจะทะลุไปแต่ละมิติแต่ละจังหวะเนี่ยแต่บางคนรู้เห็นความคิดดับความคิดได้เรื่อยๆเไม่ติดอารมณ์ปล่อยวางได้นะทําใจสบายได้ไม่ติดรูปรถกินเสียงอยู่พื้นพื้นฐานเนี้ยแต่อาสวะลึกๆมันดับไม่ได้แบบนั้นก็มีแต่ถ้าจะดับได้ความเพียรมันต้องสูงอะ่ะเหมือนเชือที่ละเอียดคุณต้องไปขยายเหมือนกล้องเลนี่มีกิกี่กระไบ มันต้องสามารถประมาณนั้นน่ะมันจึงสามารถเห็นอะรที่ไละเอียดนั้นการดูกายเวทนาจิตธรรมมันต้องลึกลงไปเรื่อยๆตังละเอียดมันต้องมีอํานาจของตัวสมาธินี่สูงขึ้นนะสมาธิสูงขึ้ น, ส ม, ส, นสมาธิพุทธเป็นยังไงสมาธิพุทธก็มีลักษณะสามหนึ่งสมาหิโตตั้งมัน่นบริสุทธโธมันบริสุทธนะจิตมันบริสุทธจิตตั้งมัน่นจิตบริสุทธิ กรร ม, มนิโยเหมาะสําหรับในการทําลายความคิดความปรุงแต่งหรืออาสว่กิเลสที่เกิดขึ้นมาคือมันตั้งมันมันแว บ, บขึ้นมาในดับได้นี่แหละคือสมาธิแบบพุทธแต่ถ้าสมาธินิง่งไม่เห็นอะไรเลยความคิดความปรุงแต่งเกิดดับยังไงไม่รู้เรื่องมีแต่สงบอยู่ภายในนั่นสมาธิแบบพราหมณ์ละไม่ได้เป็นฐานของวิปัสสนานั่นมีแต่จะหลงทางไปเรื่อยเข้าไปสู่ความนิ่งความดิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปหลงในภาวะที่อุปทานเรามีในจิต คืออุปทานมันมีแล้วเราไม่ได้ชำระล้างพอมีสมาธินี่มันเหมือนแสงสะท้อนที่ออกมาจากอุปทานกลายเป็นผีเป็นสางเป็นเทวดาเป็นโน่นเป็นนี่นเห็นชาตินี่ชาติหน้าตามอุปทานที่มันมีมันไม่ได้เกิดการชำระแต่เห็นด้วยอํานาจสมาธิแต่สมาธิแบบนี้เป็นมิจฉาสมาธิฉะนั้นความรู้ที่ปรากฏขึ้นจึงเป็นมิจฉาญาณมิจฉาปัญญาถามว่ามันมีไหมมันมีมีแบบนั้นแหละแต่ไม่ไม่ใช่มีแบบนี้ มองคนหลายอย่างนะงั้นพราหม์ปฏิบัติธรรมก็เห็นแบบพราหม์พุทธปฏิบัติก็เห็นแบบพุทธแต่เริ่มที่สมาธิเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันนั้นญาติโยมทั้งหลายสังเกตดูดีๆพุท ธ, ธรรมเนี่ยมันเอื้อประโยชน์กับชีวิตเรามากถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสามารถเห็นเริ่มเข้าใจนะนะเริ่มมองออกงั้นคนที่บรรลุธรรมเข้าถึงธรรมในเบื้องต้นจะเริ่มไม่สงสัย ไม่สงสัยชาตินี้ชานะไม่สงสัยตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดมันไม่สงสัยอ่ะมีไม่มีมันก็ไม่สงสัยเกิดหรือเกิดก็ไม่สงสัยคือมันไม่มีความคิดแบบนี้มันอยู่ในจิตเลยมันถูกล้างออกไปหมดนะมันไม่ได้กลัวการเบียดเบียนกวันั่นกลัวเบียดเบียนคนนี้ใหม่มันไม่มีแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญญาแบบเฉโก เป็นแบบอัตตาตัวตนเลยแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มันเป็นเกิดจากสภาวะจิตที่มันเป็นแบบนั้นมันสบายอ่ะมันเหมือนกับคุณทําไมไม่ฆ่าลูกทําไมคุณไม่ตีลูกแต่ลูกของคุณไปตีทําร้ายคนอื่นหรือคนอื่นมาข่มเหงลูกคุณทำไมคุณทําร้ายคนอื่นทํำไมคุณโง่หินกับลูกของคนอื่นเนะี่ะแต่ถ้าลูกคุณทําไมไม่เป็นแบบนั้นเนะี่ะลูกคุณเกิดขึ้นคุณทําไมไม่มีไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทําไม่ทําร้ายลูกคุณเนะ่ะ พเราคิดไงเพราะว่าเข้าใจว่านี่คือลูกคุนไงจิตแบบนั้นแหะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะแต่อันนี้มันเป็นพรหมวิหารมันเป็นเมตตาเฉพาะลูกพเฉพาะหลานเฉพาะตัวตนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกเราถ้าพวกเราเป็นอย่างนี้เราก็พอใจแต่คนอื่นทาไม่เหมือนเราเราก็งงยินอึนดัดแต่ปฏิบัติธรรมมันเกิดปัญญานี่เหรอมันมองดูคนทั้งโลกนี่มันเป็นคนคนเดียวกันคือตัวเราจิตมันกว้างไงปัญญาอะนเนี้ย คือมันมองเห็นรูปรูปทั้งหมดในโลกนี่เหมือนกันหมดเลยน้ําทั้งหมดเหมือนกันสภาวะทําเกิดดับเหมือนกันโง่โง่เหมือนกันติดอารมณ์เหมือนกันนั้นคนปฏิบัติธรรมรู้จากจิตตัวเองจึงสามารถรู้จักวาระจิตของคนอื่นได้ไงนะเรารู้จากตัวเราเองเนี้เราจะไม่สงสัยคนอื่นนะมันเข้าใจอ่ะมันเข้าใจว่าธรรมชาติก็คือธรรมชาติ ที่เขาบอกว่าวรู้ธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันเหมือนทั้งหมดนะ่ะแต่ไม่ใช่ธรรมชาติอันนี้ก็ชอบอันนี้แต่ธรรมชาติ น, นั้นกลับไม่ชอบอย่างเงี้ยดูคนอื่นตายเนี่ยดูเหมือนพี่น้องเราตายกันเดียวกันเลยเราไม่ได้เสียใจไม่แต่ดีใจคนอื่นทําดีกับเราทําดีก็มีค่าเท่ากันคนอื่นทําชัว่วเราทําชั่วพี่น้องเราทําเหมือนกันนะ่ะเราไม่ได้ทุกข์ให้โทษให้คุนให้ประโยชน์อะไรกับใครอะมันเป็นมิตรเหมือนกันน่ะ มันเป็นธรรมชาติไงดันั้นทำสอนองค์พระเจ้าเนี่ยจึงมีความมั่นใจว่าออมันดับทุกได้สิ้นเชิงนะถ้าเดินทางนี้จริงๆเนี่ยแต่ถ้าทำไม่ถูกทำไม่เป็นมันก็ไม่ดับมันก็จะเป็นฝกักเป็นฝ่ายฝ่ายกูฝ่า ย, า ย, ายมึงนะาศาสนานั้นาศาสนานี่เนี่ยยาวออกไป แ, แต่ปฏิบัติทำเขาเห็นทำถึงทำแล้วโอ้มันไม่สงสัยคุณทาถูกก็รู้ทาถูก ไม่มีศาสนาใครศาสนาโน้นศาสนานีา้ไม่เป็นนะไม่มีพระพุทดธดเจ้ากูพุทธเจ้ามึงนี่กายนั่นนะี่กายนี่แผนกนั้นแผนไม่นะไม่มีพระทางโลกพระทางธรรมอย่างเําว่าไม่สวัยหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา <c oughs> คํานี้เป็นคําหนึ่งนะที่คนทั้งหลายไม่เข้าใจไม่สวงหาบุญจะเขตนอกพุทธศาสนาบุญจะเขตคืออะไรอ่ะ นะคือจิตนั่นแหละถ้าคุณอยากมีความสุขเนี่ยคุณต้องสแสวงหากิเลสเอากิเลสออกจากจิตคุณแล้วคุณอยู่กับปัจจุบันธรรมนะ่ะความสุขมันเกิดขึ้นเองมันมีเองถ้าไปสแสวงหานอกพุทธศาสนาคือไปสแสวงหาสแสวงหานอกจากตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานเราไปหาอยู่กับอามิตรอะอยู่กับรูปกับรถกับสิ่งรูปรถกลิ่นเสียงหาอยู่กับกิเลสตัณหาราคะนั่นแหละนอกพุทธธรรมน่ะนะ พุทธธรรมยิงก็คือแสวงหายอยู่กับตัวสตินี่แหละขยับเข้ามาอีกก็คือตัวสติและเรื่องรู้อยู่กับตัวรู้อันนี้ไม่ใช่ไปอยู่กับตัวคิดนั่นเองไม่ใช่เป็นรูปคนนะไม่ใช่เป็นรูปคนตัวตนนะนี่นี่ในเบื้องต้นเนี่ยอารมณ์รูปนามเนี่ยไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องสมมุติอันนี้นะต่อไปก็เป็นเรื่องของปรมัตถสาภาวะที่ขึ้นไปจนถึงเห็นการเกิดดับโน้นการทาลายอาสวะ ซึ่งคิดว่ายังไม่จำเป็นที่ต้องพูดตอนนี้พูดไปเราก็จะฟุง้งซ่านไข้เขวบางทีเนี่ยนั้นก็ดูให้ดีๆพุทธธรรมอยู่ในจิตในใจเราทั้งนั้นปัญญาเกิดดับอะไรตัาง ท, างทุกข์สุขอยู่ในนี้แล้วอย่าหลงประเด็นจะไปอยู่กับเรื่องเปลึกเปลือกอยู่ข้างนอกนี่เราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยมาทำมาเนี่ย ตรงที่สุดแล้วรา ล, ลึกดูดูมาที่นี่นะเราทำหน้าที่เพียงรดต้นไม้เอาเม็ดมันเม็ดมันก็คือจิตเราเนี่ยมาใส่ไว้อยู่กับกายนีย้แล้วรดน้ำคือรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆแต่อย่าไปรดมากรดพอดีถ้ารดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันตายมันไม่งอกมันเน่ามันเปื่อยคือคนพยายามที่จะจ้องความรู้สึกลงไปที่จิตเนี่ยมันจะเปื่อยมันจะเน่านะ เอาพอดีเลยลึกรถพอดีนะเขาเรียกว่าประคลองจิตและลึกรู้สึกตัวรู้สึกธรรมาชาติธรรมาชาติธรรมาดาประคลองไปนะแต่อย่าให้มันออกไปข้างนอกถ้ามันแวบไปข้างนอ ก, กนดึงเข้ามาแล้วรดมันเขาเรียกว่าอบรมก็คือเอาตัวสตินีร ล, ลบหลนมันอบมันรมมันเคยได้ยินนะเขาบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเขาบอกให้ดูใจดูกายดูดูจิตเนะ ปิดตาสองลูกปิดจมูกสองรูปิดหูสองข้างปิดปากสะบ้างแล้วมาเฝ้าดูใจเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละเขาบอกปฏิบัติทมที่ง่ายๆจำเอาคํานี้ไปก็ได้เขาว่าอาจารย์ปฏิบัติธรรมแคล่วคล่องอ่านพระไตรปิฎกครบจบท่วนแต่ไม่รล้เกิดการรู้แจ้งแต่สอนคนก็รู้แจ้งได้เยอะไปสอนใครเขาก็ไม่สอนทิฏฐิมานะเยอะ จนทั้งว่าไปหาเนนเนน้อยบรลุอาลานแล้เนนว่าสอนได้ยุตแต่อาจารย์ต้องทําตามนะบอกอะไรต้องทํานะทําอำถ้าไม่ทำเกก็ไม่สอนอะเห็นไหมต้องลดมานะละทิฏฐิปฏิบัติทำปฏิบัติเพื่อนลดมานะละทิฏฐินั่นแหละก็สอนแล้วทำตามถูกอย่างไลลงน้ําก็ลงน้างนนนําขึ้นโคลนก็ขึ้นโคลนให้ทำอะไรก็ทําหมดโออาจารย์คงทิฏฐิน้อยแล้วทีนี้อาจารย์ปฏิบัติธรรมมันจะยากอะไรอ่ะ อาจารย์เคยเห็นเหี้ยไหมเคยเห็นเวลามันเข้าโพลเข้าจอมปวกเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในนั่นทำให้อาจารย์ที่จะจับได้ขุดเอาเนี่ยเอา้าถ้าสมมติว่ามันมีรูอยู่หกลูล่ะถ้าขุดเข้าไปมันจะวิ่งออกรูนั้นรูนี้นั่นทำไงปิดห้ารูนะรอจับอยู่ที่รูรูสุดท้ายโอ้เนี่แหละอาจารย์ไปทําอาจารย์รู้ทันดีเลย อ๋อปิดตาปิดหูปิ ด, ปดจมกูกเอาอะไรปิดเอาสติปิดแล้วเฝ้าดูใจเรามาจเจริญสตินี่เราเอาบวกมาคล้องเตรียมเอาไว้เนี่ยคือสติเลยลึก ร, รู้เรามาเฝ้าดูใจแหะเนี่ยเอาไปปิดตาปิดหูปิ ด, ปดจมูกก็คือสัมรวมนั่นแหละสัมรวมแล้วก็มาเฝ้าดูจิตเราให้เห็นเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี่เองเนาะเนี่ยดูเรื่อๆมันคิดมาก็รู้คิดมาก็รู้ตะคบเอาตรงนี้เฮียก็คืออกุศลจิตนั่นแหละกิเลสอาสวะธรรมนั่นแหละอวิชชาทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละ ที่เมื่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราให้เห็นมันให้รู้มันให้จำแจ้งในมันอันนี้ถ้ามันจำแจ้งแจำใสชัดเจนทุกทําไมมันจะไม่ดับมาดันวันนี้วันที่ห้าแล้วที่ห้าที่หกแล้วต้องตั้งใจล่ะนะตั้งใจอย่าให้หลับเลยแม้แต่น้อยต้องให้ทันมันนะ่ะ คุณคิดเยอะเหรอคิดเยอะความคิดก็เป็นกิเลสแบบหนึ่งน่ะคือเราเป็นอะไรนิสัยอะไรมันไปอยู่ในนั่นหมดแหละเราเป็นนักวิชาการเหรอเป็นรักอนุลักษ์ธรรมชาติเหรอนักอะไรเหรอมไปคิดเรื่องอะไรกิเลสเป็นนั่นคุณเป็นศาสตราจารย์กิเลสคุณก็ระดับศาสตราจารย์เป็นดอกเตอร์กิเลสคุณก็ระดับดอกเตอร์เป็นนักธรรมเหรือเป็นมหาปริีญาเป็นอะไรมันก็เป็นระดับนั้นนะกิเลสเนี่ย นั้นคุณอย่าไปยุ่งกับพื้นฐานความคิดความรู้สึกแบบนั้นอยู่กับปัจจุบันธรทำล้วนๆอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยเคลื่อนไหวเดินจูกลมรู้สึกอย่าไปอยู่กับความง่วงเราวง่วงมากๆก็คิเลยก็ไปอ่อนอยู่ในตัวง่วงนั่นแหละอย่าให้เป็นพุทธแท้ๆอันนี้นะมันจะไม่มีหรอกเขาไม่หลอกเอาได้หรอกแต่ามาเห็นบางทีอยู่ในต่างประเทศเนี่ยพระคนไทยพระสงฆ์ของ้าวคนไทย ทางทางทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็หากินนะตามวัดต่างๆจัดพิธีติดต่อกับพระทางประเทศไทยเนี่ยเอานิมนต์พระทัวนั้นรูปตัวนี้รูปไปสวดพานยักษ์ทำโน้นทำนี่ก็หาเจ้าภาพทน้นใครมีปัญหาชะตาเรื่องชีวิตเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องครอบเรื่องควธุรกิจหน้าที่การงานเอาเข้ามาในวัดแล้วให้พระสามรูปสีรูปไปทำพิธีสวดพ่านยักษ์ไล่เสน่ห์อะไรไปแต่ละที่โกยเงินมาไม่รู้เท่าไหร่ พอแล้วพอเราไปติดอยู่ในพิธีกรรมแต่บางคนก็ไม่ติดในพิธีกรรมแต่ติดในในความคิดความหวังว่าต้องทํางี้จริงะดับทุกข์อะนรโน้นอะนี่คือมันไม่ได้อยู่กับตัวรู้ไงตัวรู้นี่มันมันไม่จํากัดนะอยู่ที่ไหนก็รู้รู้กายรู้จิตเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันจะเป็นอิสระที่ไม่ต้องกําหนดแบบนี้นี่หลังจากจิตเราบรรลุทำเป็นโสดาบันขึ้นไปนะแล้วเรารู้ชัดแหละแจ้งแล้วเนี่ยตัวเนี้ย มันเป็นอิสระแล้วอันเนี้ยเราทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําก็เป็นทิฏฐานุกติแก่นุชนลุ่นเล่าหลังเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าตื่นเช้ามากิจวัตรของท่านเดินจงกรมพระพุทธเจ้าถามว่าท่านบรรลุทำหรือยังบรรลุแล้วทํำไมท่านเดินจงกรมถามเรามีปกติอยู่ในอานาปานสติปกติของท่าน อยู่ในสุญยตาวิหารอยู่ในอาณาปณสิมสุวท่านบรรลุทําแล้วแต่จิตก็อยู่แบบนั้นนะความเพียรท่านก็เป็นอยู่นั้นตื่นดึกลุกเช้าขยันปฏิบททัติธรรมยิ่งกว่าคนปฏิบัติใหม่แต่เราปัจจุบันนี่ว่าเข้าใจจะมากขาตื่นก็สายขี้เกียจก็เยอะความโกรธความหิวมากมายหลากหลายอะไรอะพุทธศาสนิาชนเหรอชนผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกว่าเหรอพุทธบริษัทเหรอ พุทธบริษัทปริแปลว่ารอบสัท ธ, ธะแปลว่านั่งพุทธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานผู้นั่งใกล้นั่งผู้แวดล้อมไปด้วยความรู้สึกตัวผู้อยู่ใกล้ความรู้สึกตัวอยู่ใกล้พุทธะอยู่ใกล้กับตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานอย่างเงี้ยเราใกล้ไหมพอมันคิดปุ๊บอา้าวเราหลงไปห น, หนึ่งก็กลับมาเพราะมันอยู่ใกล้ความรู้สึกตัวนี้มันไม่ใกล้เลยเนี่ยฉั้นมันจึงไม่เหมือนพุทธะบริษัทนี่ ในความหมายมันไม่ให้เพราะเราไปอยู่ความคิดบางทีก็โถกเถียงอันนั้นถูกอันนี้ผิดนะเหมือนตาบอดคำช้างอย่างที่ว่าไปแล้วนะดังนั้นมาปฏิบัติธรรมเนี่ยการมาตื่นดึกดรุกเช้ามาอยู่กับพระสงฆ์อาจารย์เขามาฝึกอุปนิสัยเคยได้ยินไหมอุปนิสัยที่แรกเป็นนิสัยนิสัยก็แบบโลกโลกนั่นแหละ นิสัยแบบไหนล่ะโลภโกรธหลงแต่ปฏิบัติธรรมในตื่นดึกลุกเช้าขยันและกำหนดรู้ให้ต่อเนื่องอันนี้เขาเรียกว่าอุปาณิสัยอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้มันนิสัยที่ใกล้ๆจากการรู้ธรรมเนี่ยนิสัยใกล้การรู้ธรรมคือนิสัยที่รู้สึกตัวบ่อยๆนั่นแหละนิสัยปล่อยวางนิสัยสงบนิสัยไม่จมไปอยู่กับความง่วงความคิดเนี่ยเขาเรียกว่าอุปาณิสัยนะ ถ้าทาได้ก็เป็นนิสัยถ้ามานอนด้วยอยู่เนนอนด้วยกินด้วยอยู่ด้วยเรียนรู้อยู่ด้วยนี่เขาเรียกว่าเป็นนิสิตนเนี่ยนิสิตก็คือผู้ไปเรียนด้วยผู้ไปอยู่ด้วยอยู่กับอาจารย์เฝ้าฝึกเอานิสิตเป็นนิสิตฝึกเป็นนิสิตอย่างนี้เพื่อสู่ความมีนิสัยนเนี่ยแล้วพระสงฆ์องค์นั้ น, งง น, นคนนี้คนนี้มีอุปนิสัยต่อการรู้ทำก็คือมันใกล้แล้วมันฝึกเป็นแล้วไงมันไม่ขยันมันไม่ขี้เกียจแล้ว มันตื่นดึกลูกเช้าแล้วมันเดินจงกมกับทาทั้งวันแล้วขยันแล้วละลกรู้แล้วใจมันเริ่มเป็นแล้วมันขยับเข้ามาใกล้ตัวเองแทนที่จะอยู่ข้างนอกมันมองข้างในแล้วไงเร็วคนมีอุปนิสัยอุปนิสัยใกล้พระธรรมเดี๋ยวยก็บรรลุมรรคผลนิพพานปอยู่ใกล้ไงจิตอันเนี้ยนัน้นไม่ได้อยู่ไกลเลยแล้วเราถึงมองสังเกตอยู่บ่อยๆทนทุกข์ แต่ไม่ถึงกับทรมานแต่ถ้าทรามานเขถือว่าทรมานกิเลสไปซะนะกิเลสสันดานเราเ ด, มเดิมๆเนี่ยมันไม่ชอบแบบนี้มันชอบไหมเนี่ยไม่ชอบมันชอบคิดนู่นนะ่ะชอบทิฏฐิมานะนู่นนะ่ะชอบการพูดการคุยนู่นนะ่ะมันจะชอบอยู่กับปัจจุบันแล้วมันไม่ชอบทัานคนไหนชอบคนไหนขยันคนไหนปฏิบัติคนนั้นมีมักในตัวเองบางคนเริ่มสนุกล้ปฏิบัติทําเริ่มสนุกเริ่มขยันเดินโอ้ยรู้สึก มันมันมันสนุกสนานนนแสดงว่ามันได้อะไรนะมันถึงสนุกเมื่อเราไปหาเงินเนี่ยทำไมมันไปขายของที่ตลาดนั่นบ่อยๆเพราะมันได้ไงมันจึงไปทํำไรทํานาแบบนี้มันขายบอกมันขายดีอ่ะทาไรทําสวนแบบเนี้ยทําอาชีพแบบนี้แล้วมันดีมันเหมาะกับเขาเขาทำแล้วรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งถ้าทําแล้วเขาอึดดัดขันเครื่องเขาหนีเลยเขาไปทำอาชีพปื่นเหมือนกันคนปฏิบัติทำแบบนี้ที่เขาทําได้เยอะๆะเขาทําได้ไงมันได้อารมณ์ ได้อารมณ์มันเหมือนจิตตกกระแสนะมาลงไปในกระแสของความรู้ตัวทั่วพร้อมอาะแสความตื่นความเบิกบานความโล่งความโปร่งที่มันเป็นมักเนี่ยเขาเรียกว่าคลองทำไงภาษาพระเรียกว่าคลองทํานองคลองทำคลองแห่งทำก็คืออยู่ในอริยมักนั่นแหละอริยมั ก, กคือมาจากนี่แหละสัมมาทิฏฐินี่แหละและลึกรู้อยู่กับกายได้ตลอดอเห็นจิตเห็นว่ามันคิดมันไม่คิดเนี่ยได้ตลอด ใน ส, นสติปัฏฐานศูนย์ที่เราสวดเราได้ยินได้ฟังเขาจึงพูดไงว่าอา้าวสัมมาสติคือการระลึกรู้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมดูกายเห็นกายนะถูกยกมือสร้าจังหวะนี้เห็นไหมเห็นกายไหมเวลาเราถามนี่ยกมือนี่เอาไม่ถามมายกมือไหมไม่ได้ถามแต่ยกมือนี่ถามมาง่วงไหมเนี่ยไหมคิดไหมเนี่ยคือเราดูข้างไในนุนนะเนี่ยมันเบื่อไม่งงยินไหมน ย, ย่าเห็น สระคังวาสาระคังวาจิตตันติปัะสะโทสังวาสสะโทสังวาสะโมหังนะโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเห็นเห็นไหมจิตตันติปัชานาติเห็นนะมันดับก็เห็นมันเกิดก็เห็นมีมุตตังวามีมุตตังจิตตันติปเห็นว่ามันดับเห็นมันหลุดพ้นไม่หลุดพ้น จิตปลุงแต่งไม่ปลุงแต่งนะมันเกิดมันดับยังไงเราเห็นเนะี่ยถามว่าเราปฏิบัติธรรมนี่เราเห็นเห็นแต่ว่ามันไม่เห็นแท้งไงทำฉะไนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เราสวด น, นะทำฉไนการทำที่สุดแห่งกองทุกมันก็พอจะเห็นอยู่ว่ามันไม่ทุกเนี่ยแต่ละวันแต่ว่าทำที่สุดแห่งกองทุกเนี่ยมันไม่ปรากฏชัดแก่เราได้ จีละปรินิพุตตามปิดทางพระกรวันณตังสารานังคาตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงค์ว่าเป็นสาระรรมมันจะสร้างกัรถึงถึงพระสงฆ์ด้วยถึงพระธรรมด้วย<ม>ตัสสะพระกโตซาสารนังยะธาสติยะถาพลังนะจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามเยาวซึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยะถาสติยะถาพลังตามสติกําลังที่เรามีนี่จะขยันทํา สาสนปุปฏิปฏิขอให้ความปฏิบัตินั่นของเราทั้งหลายอิมัสเกวารัสตุกขันตัสอันตะกเรียยะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถินทำที่สุดแห่งกองทุกมันคิดมาทําให้มันถูกที่สุดทุกมันง่วงมากเดินที่ถึงที่สุดของความง่วงมันเบื่อมาถึงที่สุดของมันไม่ใช่จะเป็นนั่งเหงาจับเจ้าอยู่ประมาณนั่นและจะมารอตีวาตานี่ โง่นะไอเ น, นี้ยต้องเอาจริงกับมันนั่นเองนะปฏิบัติธรรมนี่จะนอกเหตุเหนือผลเ น, นี่เนี่ยคุณหาเหตุหาผลมาศึกษาพระธรรมนี่ไม่ได้จะเอ้ยง่วงกวะ่ะแกยังไงนาะง่วงคิดหายมันไม่ออกนะโกรธโลภหลงลาคะเนี่ยกิเลส ต, ตัณหาเนี่ยจะคิดเอาเหลอคิดเอามันไม่ออกหรอกมันไม่ใช่จินตามิญญาปยามันไปกดไปขม่มมันที่เจ็บมันไม่ได้มันต้องเป็น มีปัจนายา น, ยานเพื่อญาณทัศน์มันถึงจะสลายตัวอาสวะพวกนี้ได้นะมันถึงจะออกคิดเอาไม่ได้หรอกคิดจนหัวแตกปัญหานี้เขาเรียกว่าอาจินไตไงอาจินไตนะปัญหาการบรรลุทำการเห็นแจ้งเนี่ยคิดเอาด้วยไม่ได้ด้วยหัวไม่ได้ด้วยสมองไม่ได้ถ้าคิดแล้วหัวจะแตกก็เป็นเจ็บเสียงคือจะคิดมากปวดหัวไงเป็นเรื่องของอาจินไตตายแล้วเกิดหรือไม่เนี่ยคิดเอาได้ไหมไม่มีทางนะ ตาแล้วศูนย์ไม่วิญญาณมีไหมไ ม, ม่มีไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกมันคนละเรื่องกันเขาจึงว่ามาให้รู้สึกตัวไงไม่ให้เกิดปัญญาญาณเนี่ยมันจะเกิดภาวะแจ่มแจ้งนั้นซึ่งมันก็อยู่ในพิสัยพอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นปุตตุชนเป็นคนธรรมดาที่ไปปฏิบัติธรรมเบื้องตอนน้นแล้วถึงการไปรู้แจ้งท่านก็มาสอนพวกเราเราก็เหมือนกับพระพุทธเจ้านั่นแหละก็ไปปฏิบัติธรรมเจน ท, ทั้งเกิดปัญญาอันนี้ขึ้นมามันอาจจะช้าบางคนเนี่ย แต่บางคนอาจจะไวมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่อัตราตัวตนเรานี่แหละที่เราสะสมมาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เกิดจากคนอื่นเกิดจากเราเนี่ยราคะเรามีเยอะไหมปฏิบัติทําไปจะเห็นหรอกโทสะมีเยอะไหมโมหะมีเยอะไหมที่มันโชว์ขึ้นมาอยู่เรื่อยขี้เกียจสันดานสันหลังยาวยาวขึ้นนอนยาวนะเยอะไหมถ้ามัน น, น้อย น, น้อยกูก็ทำบรรลุทลําเร็วอะ นั้เวลาคุณปฏิบัติเนี่คุณสู้กับกิเลสคุณน่ะอ่าสวะคุณนะตัณหาคุณนะไม่ใช่คุณมาสู้กับวิธีการโอ๊ยปฏิบัติวิธีนั้นยากวิธีนี้ง่ายมันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะวิธีคุณสลัดความคิดไม่เป็นตังหากล่ะคุณสลัดความม่วงความเหงาคุณไม่เปลี่ยนไงคุณทําไม่ได้มันไม่ใช่ยากไอ้ที่เก่าๆที่คุณทําแล้วมันสบายเพราะคุณไม่ยอมสลัดไงมันไม่ออกไง วัดตรงไหนวัดที่มันสบาย ท, ทําวิธีน่นายะมาจนถึงวันนี้เนี่ยคุณยังสามารถเอาออกไม่ได้เลยมาถึงวันนี้เขาก็ให้คุณสลัดความคิดนั่นแหละความง่วงนั่นแหละเห็นไหมผลปรากฏคือขึอ้นทิฏฐิมานะก็เยอะ ง, งุน ง, งิดอือดอัดนั่งสมาธิมาทั้งปีทั้งชาติพอมาทํานี้ให้เอาสมาธิมาทำรารกิเลสก็ทําไม่ได้ถ้าทําแบบนั้นจะได้ได้แล้วมันจมเข้าไปในความคิดความง่วงอีแล้วเข้าไปในทิฏฐิอีละจมเข้าไปในสมาธิแบบพราหมีละแต่ถ้าสลัดเอา้าว เป็นอากาลิโกเนี่ยยืนเดินนั่งนอนยังไงจิตก็โปร่งโล่งสบายจะนั่งสร้างจังหวะหรือเดินจุกมมจะหลับตาไม่หลับตานะมันเห็นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นได้ไหมทำได้ไหมแบบนั้นนะถ้าทําไม่ได้ก็แสดงว่าต้องทบทวนละสิ่งที่ทำนั่นนะต้องให้เข้าใจนะไม่ใช่เลือกเอาตามใจชอบไม่ใช่นะไม่ได้ชอบอริยบทไหนก็ตามเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมอยู่เรื่อย มันต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนั้นคำว่าเวลาปฏิบัติธรรมอันี้ก็จกเป็นว่าพุทธทสาหังนิยาเทมิสรีรันธิวิทันธีทังพุทธโธทุก ข, ขัสคาตาจะวิทาตาใจตาสเมพุทธะธรรมะสังขะทุกพุทธะธรรมะสังขะเป็นเครื่องฆ่าทุกสค่าตาจวิทาตาจใจตาสเมและ เป็นสรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่เขาพี่พุทธ ธ, ธรรมสังฆะนี่ไม่ใช่เครื่องจะไว้บูชานะแต่เป็นเครื่องดับทุกข์แต่ปฏิบัติเนี่ปฏิบัติแบบบูชารบับที่เขาเรียกว่าต้องมีคาระวะทำในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าปฏิบัติธรรมแบบสบายบางคนล้วงกระเป๋าเดินยึดกับนังเรียงอะไรมันไม่เปคารพธรรมอา้าวบอกว่าจับกันไว้นี้ยนเะลึกรู้เฮ้ยทํำไงก็แล้ลึกได้มันไม่มีความรบในธรรมมันไม่เห็นหรอกยาก เพราะในเบื้องต้นมันก็วางจิตแบบทิฏฐิอยู่แล้วครูบาอาจารย์สอนแบบหนึ่งทำไปอีกแบบเนึ้องอะไรประมาณนั้นเหมือนมีความรู้เหมือนโน่นนี้ทิฏฐิมากในความอ่อนน้อมสำรวมันไม่มีธรรมะมันไม่เกิดขยันทําหน่อยนะวันนี้เอาตั้งใจนั่งสั่จังวานะตั้งใจเลยเรื่องรู้ไปนอนหลับทํายังไงก็ได้กระดิกนิ้วตีนนิ้วมืออะไรนิดหน่อยๆไปโอ้ยมันไม่เคารพธรรมนะแล้วที่สุดก็คือไม่เคารพในตัวสติ ไม่ประครองตัวรู้นี่เห็นว่าเออความคิดคิดมาแล้วนะเนี่ยตั้งใจเลยลึกรู้ทำดับไปอย่างเคารพแต่ถ้าไปเพ่งไปจ้องไปกดไปกี่เขาเนี่เขาก็ไม่ทมําให้อันเนี้ยพราะเราไม่เคารพทำไงการเคารพทำเนี่ยจะละเอียดลงละเอียดระลงเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเขาเรียก ว, ว่ามีคารวะธรรมมีไหมในคารวะธรรมถ้าจิตมันยังดื้อดานอยู่อาศัยเหตุอาศัยผลอยู่เนี่ยธรรมะนี่มันนอกเหตุเหนือผลมาคนละเรื่องอย่างที่พูดไปนะนะ มันอยู่ที่เหตุปัจจัยที่มันละเอียดกว่าและลึกรู้เจอ๋อเจอไม่ต้องมีเหตุ น, นี่ผลนะเนี่ยและลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเป็นไม่ต้องมีเหตุหมดอย่าไปเอากรอบของเหตุผลที่ตีแบบอาศัยภาษาโลกมาใช้ไม่ใช่อันเนี้ยแล้ววิธีการแบบโลกโลกมาใช้เนี่ยวางกรอบอันนู้นนี่ไม่ไม่มีกรอบอันนี้บรรลุทาแล้วแต่มันจะอยู่จังหวะไหนทั้นเขาถึงมีนิสายเซนขึ้นมาไงแล้วแต่จังหวะไหนมันเป็นจังหวะอืม ปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นลักษณะว่ามีสองแบบนะหลวงพ่อพุทธตาท่านว่าเหมือนกันจูงควายปฏิบัติแบบหินยาญแบบพวกเราเนี่ยต้องรู้ความหมายปฏิบัติอันนี้เพื่ออันนั้นปฏิบัติ น, นี้เพื่อนี้ความหมายสติหมายความว่าปัญญาหมายคำว่าทำแล้วจะเกิดเป็นอธิบายแค่ประจูงมาโยมมาท่านี้ท่านี้จูงกันมาตามคนมาถือศีลนะั่งถือธรรมมาจูงกันมาท่านบอกไม่จําเป็นนะมันไม่จําเป็นนะ การจะฝึกวัวฝูกควายหรือพามันไปถึงที่หมายเนี่ยไล่มันออกข้างหน้าก็ได้แต่ว่าคนจูงต้องจูงเป็นมั่นใจเอา้าเราจูงเชือกผูกจมูกมันไล่มันออกไปข้างหน้าก็ได้ไม่เลี้ยวตีมันให้ออกไปข้างหน้าก็ได้ไม่จำเป็นต้องดึงตามก้นดึงตามก้นเนี่ยมันไม่ไปมันยากกว่าก็มีนะมาทางนี้โย ม, มาทางนี้เดินตามมาตามไม่ไม่ไปอะ่ะแต่ถ้าตีออกข้างหน้านี่ได้ฉนั้นปฏิบัติทําปฏิบัติไปเลยไม่ต้องรู้ความหมาย ไม่ต้องมีรู้บัญญตัติเดินจะกลมทําความเพี่ยนระลึกรู้เฉยๆเนี่ยไม่ต้องรู้ว่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถถึงที่หมายได้ควายตัวนี้ก็ถึงเป้าหมายได้ไปถึงทุงไร่ทุ่งนาได้ไล่ออกขานาเนี่ยจูงมาตามก้นก็ไปถึงได้ไล่ออกไปขานานก็ได้แล้วแต่สำหรับผู้สอนเนี่ยผู้สอ น, เ, น, สอ น, เ, นเขารู้จริงไหมท่านเองนะแต่บางคนไม่รู้ต้องเป็ น, นอย่างนี้นนยฝรั่งเนี่ยเขาไม่ต้องการความหมายแต่เขาปฏิบัติทำแล้วเขาจะให้ความหมายกับสิ่งที่ทําเอง ก็คืออะไรแต่คนไทยนี่ขอทราบความหมายก่อนคืออะไรอพุทธะคืออะไรธรรมะอะไรต้องทราบความหมายหมายความว่าอย่างไรทำมาหนี้แล้วจะได้อะไรเป็นยังไงฝรั่งเขาไม่ะคนละแบบไมแต่ถึงเป้าหมายเหมือนกันไหมก็ถึงเป้าหมายยากเหมือนกันไหมยากเหมือนกันง่ายเหมือนกันไหมง่ายเหมือนกันอทั้งหมดคือทิฏฐินั้นบางทีก็จูงออกหน้าบางไล่ออกข้างหน้าบางบางทีจูงมาด้านหลังมากแล้วแต่จะเป็นนะ ง่าบ้างอยากบ้างแล้วแต่สถานการณ์ที่มันพาเป็นแบบไปก็คิดว่าโยมทั้งหลายนี้จะได้ประโยชน์นะจากการทาความเพียรของตัวเองจากการระลึกรู้แม้แต่การได้ยินได้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โยมมีการพัฒนาสติสัมปชัญญะโดยเฉพาะในเรื่องของวันนี้เนี่ยทาให้มันต่อเนื่องระลึกรู้นะถ้ามันติดอารมณ์มันคิดโน้นคิดนี้มันไม่ไหวก็เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปเไป็นยน้อมนึกพิจารณา พอมาหลุดแล้วก็กลับมาอยู่ที่ฐานเดิมที่รู้สึกตัวไม่ใช่ไปคิดไอ้เรื่องที่พูดนี่ทั้งวันนะะแต่มันก็ดีกว่าคิดแบบโลกโลกท่านั่นเองแต่คิดไปคิดมามันก็จะจนเพราะมันคิดไม่ออกก็เหลือที่ทํารู้สึกตัวนั่นแหละทําที่สุดของทุกข์ให้มันหายให้มันดับไปให้มันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกข์มันไม่เกิดดีมันก็ไม่มีแก่หรอกแล้วมันก็ไม่มีตายเหมือนคนเราเนี่ยถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่ตาย อันมูโมนานะ